เชิญพรยา่าโยมทุกคนนางทานสบายนะแต่ห้ามหลับนะ ข, ขอดื่มน้ำหน่อยก็ <c oughs> ขออนุมโมทนายามบ่ายกับยา่าโยมทุกคนที่ได้ใช้โอกาสชีวิตในวันอาทิตย์มาเสพ รร ม, มาฟังทำวันนี้เรามาเรียนเรื่องการทำวิปัสสนากันการศึกษาในศาสนาเขาก็จะมีแบ่งเป็นสามระดับระดับของการศึกษาปริยัติกับระดับของการ ลงมือปฏิบัติกับภาวะของการได้รับผลจากการปฏิบัตินะมันจะมีด้วยกันสามระดับปริยัตปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลเขาเรียกปฏิเวธนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําการศึกษาให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก็คือปริยัติละปริยัตนี้ เป็นข้อสำคัญเลยถ้าเราไม่เข้าใจดีพอการปฏิบัติก็จะเนิรนชาได้นั้นเราก็ถือโอกาสการใช้เวลาในวันอาทิตย์ยามบ่ายมาเรียนปริยัติกันนะการเล่าเรียนปริยัติก็คือการทำความเข้าใจกับแผนที่ก่อนที่เราจะเดินไป สู่เป้าหมายที่ต้องการจะไปถ้าคนไม่มีแผนที่แต่คิดแต่จะเดินคิดแต่จะเดินขยันเดินทุกลมหายใจจะเดินอย่างเดียวเลยอย่างนี้ลงได้นะเพื่อความมั่นใจข้อสำคัญข้อแรกทุกคนต้องชัดเจนในแผนที่ชัดเจนมั่นใจจนทิ้งแผนที่แผนที่นั้นตรึงอยู่ในใจได้เลยเนี่ย จำขึ้นใจเลยตรึงอยู่กับใจเลยเนี่ยการปฏิบัติจะหมดความกังวลเรื่องวิธีการหมดความสงสัยว่าเอออย่างนี้มันถูกไหมนะอย่างนี้มันถูกไหมเนี่ยหมดเลยนั้นหมายถึงว่าแผนที่เราชัดเจนแต่ถ้ายมแผนที่ไม่ชัดเจนเมื่อเรากําลังจะเดินทางอยู่เราสงสัยได้ไหมเอะผิดหรือเปล่าลงไหมอย่างนี้ยการปฏิบัติก็จะทําให้เรา ไม่มีพลังเต็มที่ในการจะระดมทุกพลังของชีวิตไปสู่การเดินทางนะดังนั้นปริยัตินี้สําคัญนะคำว่าปริยัติในทางศาสนาเนี่ยในยุคพุทธกาลกับยุคนี้ต่างกันในพุทธกาลปริยัติก็คือมาเรียนให้รู้ว่าทําสมาธิเนี่ยทำอย่างไรรักษาศีลเนี่ยทำอย่างไร จเจริญวิปัสสนานะเน่เจริญอย่างไรแล้วก็ศึกษากรอบของธรรมชาติที่ควรต้องรู้เป็นหลักปริยัติไว้ก่อนคือให้รู้เรื่องขันถ้าใครมาสำนักพุทธเจ้าในคำพุทธการต้องมาเรียนเรื่องขันเลยนะเรียนเรื่องขันเรียนเรื่องความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้คือต้องเรียนเหมือนโยมนั่เรียนนี่หละเรียนเรื่องนิพพานก็เรียน เรียนอริยสัจเรียนมาก่อนเรียนให้รู้จักกรอบกว้างแต่รู้หลักชัดเจนว่าจะปฏิบัติอย่างไรต้องชัดเจนนั้นข้อปริยัติเนี่ยมันต้องมีจุดที่มีที่จบมีที่จบนะถ้าปริยัติไม่จบแสดง ย, ยังไม่ชัดเจนคนที่จะลงมือปฏิบัติได้อย่างมั่นคงคือทิ้งเลยทิ้งการอ่านตำราเลย ไม่ต้องการพกไม่ต้องการฟังเพิ่มเติมด้วยบนความที่มั่นใจดีแล้วในวิธีการเนี่ยสิ่งที่ความรู้สึกต้องการจะกระทาคือทำเต็มที่ในสิ่งที่รู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเขาจะไม่อยากฟังอะไรเขาจะยังไม่อยากอ่านอะไรเขาไม่อยากจะคุยสนทนาด้วยเหมือนรู้แล้วว่าต้องทำอย่างเนี้ยเขาจะไม่เสียเวลาไปทำอย่างอื่นดังนั้น เขตปริยัติที่มั่นคงเนี่ยมันทำให้อิ่มและหมดความสงสัยในการจะศึกษาเลยนี่คือข้อปริยัติแต่ถ้าปริยัติยังไม่มั่นคงเนี่ยจะยังไม่อิ่มเต็มในการจะเสพรับเรื่องวิธีการนะ <c oughs> นี้เราก็มาเรียนปริยัติปริยัติที่เป็นส่วนสำคัญข้อหนึ่งคือการทำความเข้าใจกับ คำว่าวิปัสนาคำว่าวิปัสสนานี้เป็นของพุทธศาสนาเลยละ่ะถ้าในครั้งพุทธการเองก่อนที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยเขตคำว่าวิปัสนาที่แท้จริงเนี่ยจะยังไม่ปรากฏเพราะว่าการทำลายกิเลสของคนยุคนั้นกับที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยต่างกัน การทำลายกิเลสของคนยุคนั้นเขาก็ต้องการละความต้องการละความพอใจความไม่พอใจในสิ่งต่างๆของโลกเขาต้องการละละจิตที่ยึดติดในการมรุณละความชอบใจละความต้องการแต่วิธีการละของเขาคือเขาห้ามใจอยากได้อะไรเขาห้ามใจอยากได้อะไรเขาห้ามใจชอบอะไรเขาห้ามใจอยากได้อะไรเขาก็ละรู้ทันเละก็ละ กับมิติของพระพุทธเจ้าคือไปศึกษาให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองชอบใจและเกินเนี่ยมันไม่น่าต้องการอย่างไรไปรศึกษาเข้าไปจนถูกต้องครบถ้วนโดยลักษณะจริงๆถึงเขตคำว่ารู้แจ้งเลยเนี่ยมองลึกซึ้งลงไปแล้วพบว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยไม่มีอะไรน่าต้องการเลยมีแต่โทษภัยทั้งนั้นเลยไม่มีแก่นสารเลย ถ้าอารมณ์จิตเขารู้สึกอย่างนี้ได้เขาจะต้องการไหมไม่ต้องการนะการละมีสองอย่างคือหนึ่งข่มใจนะห้ามความต้องการรู้ทันความรู้สึกแล้วก็ละรู้ทันแล้วก็ละนะรู้ทันแล้วก็ขม่มกับรู้ว่าสิ่งนี้ไม่น่าต้องการเลยจึงไม่เอานะรู้ว่ามันไม่น่าต้องการเลยจึงไม่เอากับ พอความต้องการเกิดก็ข่มใจหรือละมันไปไม่ให้เกิดพอเกิดความชอบใจอะไรก็ละชอบใจขึ้นมาทีก็ละทีหนึ่งกลับอีกมุมหนึ่งไปศึกษาจนพบว่าอืมไอสิ่งที่เคยชอบใจเนี่ยโอ้โหไม่น่าต้องการเลยนอพอพบว่าไม่น่าต้องการเลยเนี่ยเขาจะหมดความต้องการไหมหมดไหมหมดนะอต้องมานั่งละอีกไหม ไม่ต้องลนะเหมือนคนเคยชอบใจอะไรเยอะๆชอบใจมากเพราะว่ายังไม่เคยรู้จักสิ่งนั้นจริงเจอใหม่ๆก็ชอบเยอะเลยเกินใครห้ามก็ไม่ฟังนะเดี๋ยวก็ลอยมาให้นึกถึงเดี๋ยวก็ลอยมาให้นึกถึงนะแต่วันหนึ่งได้ไปพบความลับอย่างแจ่มแจ้งเลยไว้สิ่งที่ตนชอบเนี่ยโอ้โหมีโทษภัยมากเลยเกินถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วเนี่ย พร้อมทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากและสิ่งนี้เป็นของหลอกลวงเป็นสิ่งที่มีแต่โทษภัยเนี่ยพอมองเห็นอย่างนั้นยังจะชอบมันได้ไหมเออไม่ได้ตอบเก็งจังพอไปเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยใจมันคลายเองคลายเองมันไม่ต้องละเหมือนหลายคนเนี่ยผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเนี่ยเลิกถือสาอะไรมาได้เพราะเข้าใจละ ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เลยเลิกได้เหมือนคนหลายคนเคยชอบอะไรมาเยอะเนี่ยพอไปอยู่กับมันนานๆไปเจอโทษภัยตรงนั้นเจอโทษภัยตรงนี้ต่อมาไม่เอาละเปลี่ยนอันอื่นดีกว่าไหมไม่เอาแล้วเพราะรู้ชอบทุกสิ่งที่เราตัดใจก็ได้จริงเนี่ยหมายถึงเรารู้สึกไม่เอาแล้วคำว่าไม่เอากับมันแล้วจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากว่าเห็นว่ามันไม่ดีพอไม่ดีจริงไม่เอาละ ไม่ดีจึงไม่เอาแล้วกับยังไม่รู้ว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยนะพอมันชอบขึ้นมาก็ต้องห้ามใจทีหนึ่งต้องการก็ห้ามใจทีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันไม่ดีเลยไม่เอาต่างกันอันไหนเด็ดขาดกว่ารู้ว่าไม่ดีเลยไม่เอาละไม่เอาแล้วเนี่ยต้องเป็นภาวะที่จิตเขาไม่เอาเองเพราะเขารู้ว่ามันไม่น่าเอา ไม่น่าเอาอย่างเช่นยมจะเคยนิยมของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต่อมาไปเจอสิ่งที่ดีกว่าพอเจอสิ่งที่ดีกว่าปรากว่าสิ่งสิ่งนั้นอะเราพบว่าโอ้โหมันเป็นของยาเป็นของที่ยังมีโทษยังมีข้อบกพร่องมีข้อตําหนิพอไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยยอมจะยังอยากได้สิ่งที่ไม่ดีนั้นไหมเพราะว่าเออมันยังมีข้อโทษะมันยังมีตรงนั้นตรงนี้แต่อีกอันหนึ่งเนี่ยดีกว่ามันไม่มีโทษ พอรู้ว่าสิ่งหนึ่งดีกว่าจึงไม่รู้ว่าสิ่งนี้นมีโทษเยอะยๆเลยก็เลยไม่เอาแล้วพอไม่เอาแล้วจักใจตัวเองเนี่ยต้องมาคอยห้ามใจอีกไหมไม่ให้เอาเคอยห้ามไหมไม่ต้องเพราะว่าใจไม่เอาเองเพราะรู้ชอบอันนี้เด็ดขาดพระ เ, เจ้าท่านแสดงไว้ว่าคนจะละความต้องการทุกสิ่งในโลกได้ ไม่เหลืออะไรในโลกให้ต้องการแล้วเนี่ยคนนั้นต้องรู้แจ้งโลกคําว่ารู้แจ้งโลกเนี่ยจะต้องเป็นมิติความรู้ที่ทําให้รู้แล้วจิตรู้สึกต่อโลกว่าเป็นสิ่งเป็นทุกข์เป็นสิ่งเป็นภัยเป็นสิ่งไม่น่าต้องการรู้จนถึงความรู้สึกว่าโลกไม่มีอะไรน่าต้องการเลยเนี่ยรู้อย่างนี้มันจะเอาอะไรไหมไม่เนะแน่ใจไหม รู้วไม่น่าต้องการเลยเนะี่ยนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตเขารู้สึกเองว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยเนี่ยจะต้องมานั่งห้ามใจนะต้องมาละความอยากไหมไม่ต้องเมื่อเขารู้สึกเองว่าไม่มีอะไรน่าต้องการนั้นเขาหยุดเองนะเขาวางเลยพอหยุดแล้วก็จะวางอย่างเช่นเมื่อโยมไม่ต้องการอะไรแล้วเนี่ยยมจะวางเห็นไหมเมื่อคลายความต้องการเมื่อนั้นก็จะคลายความยึดถือ ถ้ายัางต้องการอยู่ยังจะวางไหมไม่วางในความต้องการมันจะยังจริงจังกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไม่หมดละอย่างนั้นมุมที่ทำให้คนเราวางทุกสิ่งในโลกได้อย่างแท้จริงเมื่อไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการมันแล้วนะพอไม่ต้องการมันแล้วจึงวางพอวางก็ว่างอันนี้คือมุมของศาสนาแต่จะไม่ต้องการเนี่ย เขาจะต้องให้จิตไม่ต้องการโดยสมัครใจไม่ใช่บังคับมันจิตเนี้ยไม่ใช่บังคับแต่ต้องทำให้จิตเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองเคยต้องการนั้นน่ะมันไม่น่าต้องการเลยให้จิตเห็นอย่างนั้นเลยว่ามันไม่น่าต้องการเลยให้ได้เมื่อจิตเขาเห็นว่ามันไม่น่าต้องการเลยโดยแท้จริงจากตัวเขาเองเนี่ยเขาจะยังต้องการมันไหมต้องการไหม เขารู้สึกเองว่ามันไม่นม่ต้องการเองก็ไม่ต้องการแล้วนะั่นไงั้นการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมีมุมที่จะทำให้ถึงสิ่งที่เรียกว่านะิพพานนก็เมื่อทำให้จิตรู้ถึงความสิ้นตัณหาใช่ไหมเราเรียนอริยสัจมานิพพานอยู่ที่ความสิ้นตัณหานี้ภาษาไทยคำว่าตัณหาคือความต้องการอาจารย์พูดเป็นภาษาง่ายๆต้องการ อันนี้ความต้องการจะสิ้นไปเองในภายในความต้องการที่หมดไปจากชีวิตเลยคือต้องหมดไปจากภายในเลยถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากเนี่ยคือคือส่วนที่เป็นลึกเลยเหตุที่ยังต้องการอยู่เพราะยังมีความพอใจในโลกอยู่ยังมีสิ่งในโลกที่ตนพอใจอยู่เขาจะถอนความพอใจไม่พอใจในโลกได้ ถ้าในโลกนี้ไม่มิไม่เหลือสิ่งที่เราพอใจอยู่อีกเนี่ยยังจะต้องการอะไรมีไหมไม่มีเหตุที่ยังต้องการอยู่เพราะยังพอใจมันอยู่เหตุที่ยังพอใจอยู่เพราะยังรู้สึกว่ามันยังดีอยู่หรือยังไม่เห็นโทษภัยของมันมุมของพระทธเจ้าก็คือทําให้หมดความต้องการในภายในจะหมด ก็รู้ได้ว่าจะหมดจ ร, จริงๆเมื่อถอนความพอใจในโลกได้หมดเลยถอนความพอใจก็หมายถึงต้องมองเห็นโลกในแบบที่ตนให้ที่ทำให้ตนรู้สึกว่ามันไม่น่าพอใจเลยหนอนั่นแหละมองอยังไงให้มันเห็นว่ามันไม่น่าพอใจความพอใจในโลกจึงหมดไปถ้าหมดความพอใจในโลกในภายในความต้องการก็หมดไปนะ เราจะไปนิพพานกันอย่างเดียวเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมเรียนไว้ก่อนนะมองแผนที่ก่อนว่าการทำลายกิเลสในศาสนามิติของการทำลายนะ่มันเป็นยังไงจะหมดความต้องการเมื่อถอนความพอใจไม่พอใจในโลกได้เกลี้ยงเลยในโลกเลยนะจนไม่เหลือสิ่งใดในโลกให้ต้องการอีกนะเมื่อเราหมดความพอใจอย่างเช่น โยมยังต้องการบางสิ่งอยู่เพราะโยมยังพอใจมันอยู่แต่วันหนึ่งโยมไปพบว่าไอ้นี่มันไม่น่าพอใจเลยมันน่ารังเกียจพอรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่โยมยังต้องการมันไหมไม่ต้องการแล้วและไอ้ตรงไม่ต้องการตรงนี้มันเกิดขึ้นเองหรือว่าต้องละมันเกิดขึ้นเองั้มเกิดขึ้นเองตอนเราพอใจมันอยู่ความต้องการก็ยังมีอยู่ของมันเป็นอัตโนมัติเองเหมือนกัน แต่ถ้าวันไหนเราพบว่าโอ้โหไอสิ่งนี้น่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวเหลือเกินไอความรู้สึกพอใจที่เคยมีมาตั้งนานนี้หายเกลี้ยงไปเลยกลายเป็นกลัวแทนเลยอย่างเงี้ยพอรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาความพอใจในสิ่งนั้นหมดไปความต้องการในสิ่งนั้นก็หมดไปต้องละไหมต้องละไม่ความต้องการไม่ต้องละแต่หมดไปเพราะรู้ชอบ หมดไปเพราะรู้ชอบและพอหมดไปเพราะรู้ชอบอย่างเงี้ยใครเอาสิ่งนั้นมาให้เนี่ยยังจะอยากได้ไหมเอามายั่วใกล้ๆก็ไม่เอาเพราะข้างในเรารล้หวยเนี้น่ากลัวให้ฟรียังไม่เอาเลยเน้นหมายถึงว่าจิตเขารู้ชอบแล้วเขาไม่เอาเองจากภายในอันนี้สำคัญนะคลายความต้องการจากภายในเนี่ยนั้นการที่จะทาให้จิตรู้สึกว่า ไม่มีอะไรน่าต้องการเลยไม่มีอะไรในโลกน่าต้องการเลยนั่นหละนั่นคือสิ่งที่เราต้องหลอหลอมการปฏิบัติให้จิตเข้าถึงจุดนั้นให้สำเร็จนะให้สาเร็จอาจจะระดับหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่มีก่นสารแล้วก็ไม่เอาละก็ละได้บางไปเรื่อยๆจนเข้าใจชีวิตไปเรื่อยๆเริ่มวางไปหลายสิ่ง พอเข้าใจจะวางพอเข้าใจจะวางทุกเรื่องเลยปัญหาในชีวิตเหมือนกันพอเราเข้าใจเขาเข้าใจคนเข้าใจธรรมะเนี่ยไอ้ที่เราเคยถือสาเนี่ยเราวางได้ไหมได้วางเลยนะพอเข้าใจปุ๊บอื ม, อมวางเลยพอเข้าใจก็อืมวางเลยนั้นนั้นการวางที่มาจากคำว่ารู้ชอบเนี่ยมันเป็นวางโดยอัตโนมัตินะไม่ใช่ไปทาใจให้วางนะ เหมือนโยมเคยไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเคยถือสาสิ่งนั้นมานานเลยนปล่อยไม่ได้เลยเก็บมาคิดเด้วเก็บมาคิดวันหนึ่งสงบใจดีไปฟังเรื่องราวธรรมะดีๆมองธรรมชาติชีวิตมนุษย์จริงๆเนี่ยพอเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจธรรมใจมันอ่อนโยนมันปล่อยคลายมันไม่ถือสาสิ่งนั้นไปเลยได้ไหมมีมใครธรรมะเข้าสิ่งแล้วโอ้โหสิไปเลยมีไหม มีนะมีพอเข้าใจแล้วเขาวางเลยวางเพราะรู้ชอบนั้นความรู้ในธรรมที่มีพลังแต่ไม่หมดความต้องการทุกสิ่งในโลกเนี่ยจะต้องเป็นความรู้ที่หล่อหลอมให้จิตเกิดความรู้สึกต่อโลกในทางพบว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยหนอ ทีนี้จะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าต้องการเนี่ยมุมไหนจิตจริงรู้สึกว่ามันไม่น่าต้องการก็จะมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เคยต้องการนั้นอ่ะมันไม่มีแก่นสารอย่างไงมีโทษภัยอะไรบังคับไม่ได้อย่างไรว่างเปล่าอย่างไรก็กลับไปที่มุมนั้นไม่ใช่เราอย่างไรมีทุกอย่างไรมีโทษอย่างไรนี่คือจะกลับไปที่มุมนั้นมุมเดียวเลยการเห็นโทษภัยแก่กล้า กับทุกสิ่งในโลกจึงเบื่อนายเมื่อเบื่อนายก็คลายมเมื่อคลายก็หลุดพ้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็จะต้องเป็นเรื่องของการทำให้จิตจางคลายจากภายในนะคลายจากภายในด้วยการนำพาจิตไปเรียนรู้โลกและบนความรู้นั้นนะจะต้องเป็นความรู้ที่มีพลังให้จิตรู้สึกต่อโลกไปในทางเห็นว่าไม่มีอะไรน่าพอใจ น่าต้องการการสร้างความรู้อย่างนี้จึงทำให้จิตหมดความต้องการได้ไม่ว่าจะปฏิบัติมาอย่างไรไม่ว่าจะวิธีอะไรถ้าคนจะสิ้นตัณหาในภายในต้องปฏิบัติในชั้นที่หล่อหลอมให้จิตเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการได้สำเร็จจากตัวเขาเองนะจิตรู้สึกเองว่ามันไม่น่าต้องการเลย เขาจึงวางเองเขาวางเองกับเราเราคุมเราข่มไม่ให้เขาเอาเนี่ยมันอันเดียวกันั้มไม่คนละอย่างนะวางเองหลายอย่างที่โยมวางเองลองดูดิพอวางแล้วจบเลยเย็นเลยไม่ก่อกวนเลยบนการวางเองก็เพราะเข้าใจดีว่ามันไม่ดีเข้าใจดีว่ามันไม่มีแกนสารเขาว่าไอ้นี่มันโทษมันเยอะไม่เอานี่โทษเยอะไม่เอาอย่างเช่นโยมจะซื้อผักเนะี่ย แม่ค้าร้านนี้นะผักสวยเหลือเกินร้านนี้ผักผมมีแต่หนอนมีแต่มแมลงมใหม่ชอบของสวยใช่ไห ม, มต่อมาไปรู้ว่าไอส้สวยๆฉีดยาฆ่ า, มาแมลงก่อนเก็บเนี่ยพอรู้อย่างนั้นเอาไม่เอาอีกไหมไม่ไม่เอาพอรู้ปุบ๊บไม่เอาเลยนะต้องละความต้องการไหมไม่ต้องพอรู้ว่าโอ้มีโทษเนี่ยกินแล้วตายแน่เนี่ยไม่เอาเลย วางเลยเพราะรู้ชอบเขามาให้ฟรีเอาไหม <Yeah. S 1> ก็ไม่เอาอีกดังนั้ น, น, นบนความรู้ชอบนี่คือสำคัญมันทำให้การละนั้นเด็ดขาดดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยมุมของบุคคลที่จะสิ้นความต้องการเขาสิ้นเพราะรู้ชอบหลุดพ้นเพราะรู้ชอบ ทีนี้จะหลุดพ้นควารู้ชอบเลยต้องมาสร้างความรู้ชอบให้เกิดขึ้นตรงสร้างความรู้ชอบเนะี่ยแล้วอะไรล่ะคือตัวความรู้ชนิดที่คือความรู้ชอบคือรู้อะไรอริยสัจใช่ไหมอริยสัจหน้าตาเป็นไงไม่รู้แต่รู้ว่าการรู้แจ้งอริยสัจคือภาวะที่ ตัพลังปัญญาเครื่องตรัสรู้นั้นสมบูรณ์หรือการรู้แจ้งอริยสัจหมายถึงบุคคลนั้นกําลังเป็นผู้แทงตลอดโลกธาตุเขตความรู้อริยสัจเมื่อรู้แจ่มแจ้งแล้วทําให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีปัญญาสมบูรณ์เลยเต็มเปี่ยมเลยนะแต่ถ้าการรู้แจ้งอริยสัจ ย, ยังไม่สมบูรณ์คนนั้นปัญญาจะยังไม่สมบูรณ์และในขณะเดียวกัน ใครก็ตามที่รู้แจ้งอริยสัจสมบูรณ์คนนั้นก็เรียกว่ามีวิชาสมบูรณ์วิมุตติก็จะสมบูรณ์อยู่ด้วยกันเลยเมื่อโยมเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วโยมจะไม่ต้องการมันเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งจะไม่ต้องการมันเข้าใจระดับหนึ่งเริ่มคลายเข้าใจไปอีกก็คลายอีกเข้าใจอีกก็คลายอีกเข้าใจกระจ่างเลยก็วางหมดเลย นั้นตรงการคลายเนี่ยมันเป็นภาวะที่จิตเป็นไปเองเพราะรู้ชอบดังนั้นพลังความรู้ที่แท้จริงจะต้องมีผลในทางทำใมิจิตจางคลายได้คลายได้เมื่อคลายจึงหมดถ้าคลายไม่ได้จะหมดไหมไม่หมดถ้าความรู้สร้างการคลายไม่ได้ความรู้นั้นยังไม่แท้จริงหรือยังไม่บริบูรณ นั้นความรู้ที่แท้จริงต้องทำให้จิตคลายคลายได้เพราะคลายจึงบางพอบางจึงหมดนั้นการปฏิบัติก็คือต้องมาสร้างความรู้ชนิดที่มีพลังทำให้จิตคลายราคะโทสะโมห oh ะหรือคลายความต้องการในโลกได้ยังไม่ยอมไปสติปัฏฐานนี้นะคลายความต้องการในโลกได้จึงเกิดการ สสาาการทำวิปัสนาขึ้นมาการกระทําวิปัสนาเนี่ยก็เพื่อสร้างตัวความรู้หรือญาณทัศนะชั้นอริยสัจให้เกิดนะชั้นอริยสัจให้เกิดความรู้อริยสัจเนี่ยคนเราเกิดมาไม่มีใครติดมาด้วยในท้องเลยใครเอาออกมาด้วยตั้งแต่ท้องเลยไหมไม่มีหรอกจะมีเมื่อมีการศึกษาเมื่อศึกษาจึงเกิดความรู้นี้ผุดขึ้นมา พอความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็หมดไปนะเมื่อความรู้สมบูรณ์ความไม่รู้ก็หมดสิ้นไปดังนั้นการจะสร้างความรู้อริยสัจจริงต้องเป็นเรื่องการศึกษาหรือผลิตมันขึ้นมาผลิตเจ้าตัวความรู้ชั้นอริยสัจขึ้นมาผลิตขึ้นและความรู้อริยสัจนี้หละเป็นความรู้ตัวเดียวเลยที่ทำให้สิ้นอาสะวะได้ เขตความรู้อื่นไม่มีใครจะหลุดพ้นต้องรู้แจ้งอริยสัจพระธเจ้าบอกว่าใครจะมายืนยันความหลุดพ้นของตนเนี่ยความสิ้นทุกโดยกล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้อริยสัจหรอกก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยคนอย่างนี้จะกล่าวอย่างนี้ไม่ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้จากทุกหรอกเราก็สามารถทาที่สุดทุกได้ อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เหมือนคนจะสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเรือนข้างบน่ะตอนล่างเราก็สามารถทำเรือนชั้นบนได้โยมสร้างบ้านสองชั้นโยมไม่ต้องทำชั้นที่หนึ่งได้ไหมโยมทำชั้นที่สองเลยใครทำได้ไม่ได้ดงนั้นใครจะหลุดพ้นได้เนี่ยคนนั้นต้องรู้แจ้งอริยสัจนี่คือข้อบังคับเลยนะข้อบังคับ ทีนี้การผลิตอริยสัตว์ให้เกิดขึ้นแจ่มแจ้งในใจนั่นหละคือเป็นพลังการขับเคลื่อนของวิปัสสนาที่แท้จริงวิปัสสนาที่แท้จริงจะสร้างความรู้แจ้งอริยสัตว์ให้ผุดขึ้นให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแล้วระดับการปฏิบัติที่เป็นเนื้อตัววิปัสสนาชนิดที่สร้างความรู้ชั้นอริยสัตว์เนี่ยหรือสร้างญาณทัศนะ 4เรื่องอริยสัจคือญาณทัสสนะสตัวนะความรู้ชั้นญาณเลยนะไม่ใช่ชั้นคิดนะเป็นความรู้ชั้นญาณ4ตัววิปัสนาจะต้องสร้างความรู้ระดับความรู้ระดับญาณทัศนะขึ้นมา4ตัวจึงก่อภาวะของบุคคล น, นั้นให้กลายเป็นผู้มีปัญญาเครื่องตรัสรู้สมบูรณ์และเทคนิคปฏิบัตินั้นก็คือ สติปฐาน4ี่สติปทานสเนี่ยคือระบบปฏิบัติที่จะผลิตเจ้าตัวความรู้อริยสัจทั้ง4ประการเนี้ยให้เต็มบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะคนเราจะหลุดพ้นจากภายในได้เนี่ยต้องหลุดพ้นเพราะรู้แจ้งอริยสัจมีไหมหลุดพ้นได้โดยไม่ต้องรู้แจ้งอริยสัจเปิดตาดําราเล่มไหนมีไหมไม่มีหรอกถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจ ครบท้วนก็หมายถึงว่ายังไม่แทงตลอดโลกธาตุยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดเลยนะเมื่อยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดโลกเนี่ยจะปล่อยวางโลกทั้งโลกได้ไหมไม่ได้คนจะปล่อยวางโลกได้ก็ต้องรู้แจ้งโลกโยมพิจารณาร่างกายอย่างเดียวเข้าใจกายอย่างเดียวคือเข้าใจโลกทั้งโลกไหมกายกับโลกทั้งโลกเนี่ยเหมือนกันมไม่เหมือน การรู้แจ้งชนิดว่าครอบคลุมทั้งโลกเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือสิ่งที่ถ้าบุคคลกระทําให้บริบูรณ์แล้วบุคคลนั้นจะผลิตความเห็นแจ้งแทงตลอดโลกธาตุขึ้นมาเลยเห็นแจ้งแทงตลอดโลกธาตุเลยนะตัวยาณทัศนะชั้นอริยสัต4์สี่ตัวจะถูกสร้างขึ้น พระเจ้าท่านเรียงเรื่องราวที่บุคคลต้องทาการศึกษาหรือกระทาวิปัสนาเนี่ยวิปัสนาคือระบบของการสร้างปัญญาท่านเรียงจากส่วนที่ตื้นไปสู่ลึกทุกเรื่องเลยพระเจ้าจะเรียงจากตื้นไปลึกเล็กไปใหญ่ไปละเอียดสติปัฏฐานสี่เป็นเขตของเรื่องราวสี่เรื่องราว ที่บุคคลต้องไปศึกษาให้รู้แจ้งครบถ้วนทั้งสี่เรื่องราวสี่เขตแดนให้ไปกระทากายานุปัสสนาเจริญกายานุปัสสนาคือไปจเจริญวิปัสสนาต่อกายไปจเจริญเวทนานุปัสสนาไปกระทาวิปัสสนาต่อเวทนาไปกระทาวิปัสสนาต่อเรื่องของจิตก็คือไปกระทาซึ่งจิตตานุปัสสนา ไปการทำวิปัสนาต่อธรรมก็คือธรรมมานปาัสนาจะหลับหนักไหมหนักเนาะอาจารย์เทศยังจะหลับเลยเห็นญาติโยมใช้คำไหนมันง่ายดีหนอนะธรรมะเนาะหนักเนาะดังนั้น การกระทำวิปัสนาให้รู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมจนเกิดความเห็นแจ้งกายในกายเห็นแจ้งเวทนาในเวทนาเห็นแจ้งจิตในจิตเห็นแจ้งธรรมในธรรมเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมเห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งหมายถึงไม่เหลือความเคลือบแคลงสงสัยเมื่อโยมรู้สึกว่าแจมแจ้งแล้วยมจะสงสัยมัดิบะ ไ, ไม่แล้ว คำว่าเห็นแจ้งเนี่ยหมายถึงจบแล้วนะการกระทําซึ่งกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยเพื่อผลิตความเห็นแจ้งผลิตความเห็นแจ้งเห็นแจ้งกายเห็นแจ้งเวทนาเห็นแจ้งจิตเห็นแจ้งธรรมพอรู้แจ้งครบทั้งกายเวทนาจิตธรรมแล้วเนี่ยจะต้องไปศึกษามันอีกเพื่อหเห็นแจ้งอีกไหมไม่ต้อง สิ่งที่ต้องการคือพลังความเห็นแจ้งเมื่อความเห็นแจ้งเกิดขึ้นแล้วความเบื่อน่ายจางคลายจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องทําไม่ต้องทําเหมือนโยมเข้าใจเดีวยวโอยผักนี้มันฉีดสารพิษก่อนเก็บนีิราเนี่ยพอเห็นแจ้งปั๊บเนี่ยกลัวเลยไหมไม่เอาเลยไหมไม่เอาเลยต้องทําหะต้องละมะไม่ต้องละสติปัฏฐานสี่ที่แท้จริงเนี่ย บนความเห็นแจ้งมันนำพาให้ความรู้สึกเนี่ยถอนความพอใจถอนได้เลยนะถอนความพอใจไม่พอใจในโลกเนี่ยได้เลยมิติของการกระทำวิปัสสนามันทำให้จิตนั้นถอนถอนนี่หมายถึงสิ่งนะั้นมันอยู่ลึกหรือไม่ลึกไอ้พอใจไม่พอใจเนี่ยถอนนี่หมายถึงดึงออกจากรากเลยนะถอนกระทั้งรากเลยนั้นการทำวิปัสสนาเนี่ยมันทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เห็นแจ้งถึงธรรมชาติของสิ่งที่ตนเคยชอบเคยเยื่อใ่เคยผูกพันุ์พอเห็นแจ้งได้ลักษณะแล้วเนี่ยเขาไม่เอากับมันเลยไม่เอาเลยด้วยตัวจิตเองเนี่ยนั้นหมายถึงว่าจิตเขาไม่เอาเองบนการไม่เอาเองเนี่ยเป็นความละที่ทําให้ชีวิตนั้นเย็นเลยนะกับการที่เวลาเราชอบใจอะไรมันกระทบแล้วมันกระตุ้นให้ชอบเราจะต้องข่มใจ ชอบใจอะไรก็รทันและข่มใจรู้ทันละละอย่างเงี้ยมันจะเย็นไหมไม่เย็นกับไม่เอาเพราะ ม, มันไม่น่าต้องการเลยหนอไม่เอาเองเนี่ยจากภายในเนี่ยมันเย็นเลยไหมเย็นเลยนะเขาไม่เอาเองเคือเย็นเลยนี่คืออารมณ์กันละจากภายในพอสิ้นไปแล้วเนี่ยทำให้คนนั้นเข้าถึงความเย็นเลยนะเย็นเป็นนิพพานเลยนี่คือเย็นจากภายในเลย ทีนี้การเจริญสติปัฏฐานสพระพุทธเจ้าก็จะแสดงเขตของสิ่งที่บุคคลต้องศึกษาให้ครบทั้งสเขตแดนกายเวทนาจิตธรรมสเขตแดนนี่คือมุมหนึ่งและสติปัฏฐานสเรียกอีกในหนึ่งคือสี่เรื่องราวที่ต้องศึกษาหรือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา สี่เรื่องราวบุคคลสามารถมีสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ได้เลยแม้ขณะฟังธรรมเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่แน่ใจเนาะฟังธรรมไม่เคยไปเจริญสติอะไรหรอกฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วรู้แจ้งอริยสัจทั้งสีหน้าที่ตรงหน้าเลยพอรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่หน้าที่ตรงหน้าเลยเนี่ยต้องไปเจริญสติปัฏฐานสี่อีกไหม ไม่ต้องเพราะการเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจสี่เมื่อฟังธรรมต่อหน้าพระพักพระพระเจ้าเรารู้แจ้งอริยสัจ้าที่ตรงหน้านั้นเลยเนี่ยจะต้องไปผลิตความรู้เรื่องอริยสัจขึ้นมาอีกไหมไม่ต้องเมื่อไม่ต้องหมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์หรื อ, อยังสมบูรณ์แล้วเพราะว่าคําว่าสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์หมายถึง กระทำจนสามารถรู้แจ้งครบทั้ง4ประการและบนความรู้แจ้งที่ครบถ้วนนั่นแหะเขางอกออกมาเป็นความรู้อริยสัจนี่คือสําเร็จผลิตอริยสัจได้สําเร็จก็หมายถึงปลูกกล้วยแล้วออกผลจนสําเร็จเลยละ่ะนั้นเจริญสติปัฏฐานสี่สำเร็จคืองอกออกมาเป็นอริยสัจสี่สำเร็จ เมื่อสำเร็จคือรู้แจ้งทั้งกายเวทนาจิตธรรมหมดแล้วศึกษาจนรู้แจ้งกายแล้วรู้แจ้งแล้วต้องศึกษามาอีกไหมไม่ศึกษาจนรู้แจ้งเวทนาแล้วรู้แจ้งต้องศึกษาอีกไหมไม่รู้แจ้งจิตรู้แจ้งธรรมรู้แจ้งครบหมดเมื่อนั้นปัญญาเครื่องรรอรตรัสรู้กิรลสสัตย์จะสมบูรณ์พอปัญญาสมบูรณ์ก็หมายถึงสติปัฏฐานสี่นั้นศึกษามาครบหรือยัง ครบแล้วอริยสัจจึงสมบูรณนะ์ทีนี้คนมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยไปเจริญปฏิบัติอะไรมาก่อนเลยแต่อินสีเขาเบาบางมากนะมีหลายคนนะที่มาฟังในะที่พั ก, พกแล้วหลุดพ้นเลยที่ตรงนั้ น, นขณะที่เขาฟังอยู่แล้วไหลไปในวิถีธรรมแล้วเห็นแจ้งอริยสัจอย่างถูกต้องบริบูรณ์ พอรู้แจ้งอริยสัจแล้วก็หลุดพ้นตรงนั้นเลยตรงนั้นเขาได้ไปเจริญสติปัฏฐานสี่ไหมได้ไปเจริญไหมหลุดพ้นแล้วเป็นอรหันต์เลยอรหันตุทุกท่านสติปัฏฐานสี่ต้องสมบูรณ์ถูกไหมไม่สมบูรณ์เป็นอรหันต์ได้ไหมไม่ได้นะอรหันติสติปัฏฐานสี่ต้องสมบูรณ์แต่คนที่มาฟังตรงหน้าพุทธเจ้าเนี่ย ได้ไปเจริญสติตรงไหนไหมฟังแล้วฟังเหมือนโยมฟังอาจารย์เทศเจริญสติตรงไหนไหมไหลตามไปเลยใช่ไหมอ่าไหลตามไปเลยตอนไหลตามไปเลยใช่คิดว่ากําลังเจริญสติไหมโยมไม่ได้คิดว่ากําลังเจริญสติถูกไหมตอนฟังเนี่ยใครคิดว่ากําลังเจริญสติบ้างมีไหมไม่มีหรอกตอนฟังโยมปล่อยตามไปเลยถูกไหม ปล่อยตามไปเลยแล้วเข้าใจตามไปเลยพอเข้าใจโอ้โหมีแต่โทษภัยแล้วเห็นตามไปเลยพอเห็นตามไปเลยว่าโอ้โหมีโทษภัยเนี่ยจิตเขาคลายออกไปเองเลยตรงนั้นใช้เจริญสติมะมมีเจริญสติไหมตรงนั้น่ะไม่ใช่ไม่ได้เจริญสตินะแต่ถ้าว่าตรงนั้นมีสติสมชัญญะมะมมีแต่ตอนที่เขากำลังฟังธรรมเขาคิวาเขากำลังเจริญสติไห ไม่คิดว่ากำลังเจริญปัญญาไหมก็ไม่ตอนฟังธรรมกำลังคิดว่าเจริญปัญญาไหเปล่าไหลอย่างเดียวถูกไหมแต่ตรงนั้นมีสติสมชัญญามีสมาธิมีความแจ่มใสจึงสามารถไหลไปกับธรรมะได้พอไหลแล้วเห็นภาพตามโอ้โหมีแต่โทษภัยโทษภัยจริงๆเนี่ยบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราจริงๆเนี่ย อารมณ์ความรู้สึกมันคลายตามได้ไหมได้ไหมเห็นแล้วคลายเข้าใจแล้วคลายเข้าใจแล้วคลายเข้าใจแล้วคลายเข้าใจแจ่มแจ้งกระจางหมดทุกรายละเอียดที่โลกมีอยู่ว่ามีแต่โทษภัยอะคลายหมดเลยนะที่ตรงหน้าได้ไหมได้แล้วตรงนั้นได้ไปเจริญสติไหมอ้าไม่ได้เจริญสติและหนะ้าที่ตรงหน้าพระเจ้าเนะี่ย ทำให้บุคคลรู้แจ้งอริยสัจสมบูรณ์ได้ไหมขณะฟังได้อริยสัจสมบูรณ์ได้หมายถึงมีสิ่งที่ต้องศึกษาอีกไหมไม่มีไม่มีสิ่งต้องศึกษาอีกแล้วหมายถึงว่าต้องกระทาวิปัสนาอีกไหมไม่ต้องเมื่อไม่ต้องกระทาวิปัสนาอีกหมายถึงสติปัฏฐานสี่นี่มันจบหรือยังจบแล้ว เหตุที่ยังไม่จบเพราะการรู้แจ้งยังไม่สมบูรณ์สติปัฏฐานจึงยังไม่จบเมื่อยังไม่จบก็เรียกว่าสติปัฏฐานยังไม่สมบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานยังไม่สมบูรณ์ความเห็นแจ้งอริยสัจหรือปัญญาเครื่องตรัสรู้จึงยังไม่เสร็จจึงยังไม่จบนะทีนี้คนมาฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเห็นแจ้งอริยสัจเลยที่ตรงนั้นเลยเนี่ยพอรู้แจ้ง แจ่มแจ้งบริสุทธิ์จิตก็เบื่อ น, น่ายจางคลายหลุดพ้นเลยเพราะรู้ชอบจะเห็นว่าบุคคลที่ฟังธรรมแล้วรู้อริยสัจเลยถ้าละมองจะพบว่าเขาไม่ได้เป็นเจริญสติตรงไหนเลยแต่ตรงนั้นมีสติไหมมีและการรู้แจ้งอย่างนั้นหมายถึงว่า ต้องไปทำวิปัสนาอีกไหมไม่ต้องเมื่อไม่ต้องกระทำวิปัสนาอีกหมายถึงสติปัฏฐานสี่ต้องไปอบรมไหมก็ไม่ต้องเมื่อไม่ต้องก็หมายถึงสติปัฏฐาน 4, สี่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วแม้ขณะของการฟังธรรมเห็น ไ, ไหมอัมอ น, นี้คือสติปัฏฐานสี่ในแบบที่ว่าเกิดขึ้นได้แม้ฟังธรรมเกิดขึ้นได้แม้ขณะพิจารณาธรรม เกิดขึ้นได้แม้ขณะสนทนาธรรมสนทนากันเนี่ยสามารถทำให้คนรู้แจ้งอริยสัจได้ไหมได้พิจารณาธรรมพิจารณาธรรมโดยถูกลักษณะทำให้แจ่มแจ้งในสภาวธรรมจนครบถ้วนได้ไหมได้เพื่อเจ้าจึงบอกว่าโอกาสของการหลุดพ้นของค น, นมีได้แม้ขณะของการฟังธรรมแม้ขณะแห่งการ พิจานาธรรมแม้ขณะการสาธยายธรรมแม้ขณะการสนทนาธรรมแม้ขณะการเพ่งธรรมนี้เป็นโอกาสของการหลุดพ้นนะมีใครกำลังหลุดพ้นบ้างตอนี้หลุดพ้นไปจากเสียงอาจารย์จนจะลงผวังหายเลยนะใกล้ละหายใจลึกๆอยากหลอมตัวมาหายใจลึกๆเรียนปริยัต เราต้องมองภาพให้ออกว่าสติปัฏฐานสี่คืออะไรสติปัฏฐาน4ี่คือสี่เรื่องราวที่บุคคลต้องรู้แจ้งให้ครบและจะรู้แจ้งให้ครบก็ต้องไปศึกษาเจ้า4ี่เรื่องราวนี้ให้กระจ่างแจ่มแจ้งสี่เรื่องราวคือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อแจ่มแจ้งครบสี่เรื่องราวเมื่อนั้นความรู้แจ้งจึงสมบูรณ์หมดเลย ไม่มีอะไรต้องศึกษาอีกแล้วนะสติปัฏฐานสี่เป็นระบบการกระทมวิปัสสนาว่าเมื่อกระทมจนสมบูรณ์แล้วความเห็นแจ้งจะเกิดขึ้นชนิดที่ไม่เหลืออะไรต้องศึกษาอีกแล้วนั่นหมายถึงปัญญาสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์นั้นวิปัสสนาจึงเป็นระบบของการสร้างสติหรือสร้างปัญญาสร้างปัญญานะ สติปัฏฐานสี่ไม่ใช่ระบบของการเจริญสติสัมปชัญญะให้เยอะๆนะและสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่เป็นการละกิเลสนะสติปัฏฐานสี่เป็นระบบของการสร้างญาณทัศนะให้เกิดขึ้นแล้วยาณทัศนะที่เกิดมีผลต่อเนื่องเองที่ทำให้จิตทำไมจางคลายหลุดพ้นต้องทำไหมจางคลายจางคลายทำไม่ได้นะต้องจิตปล่อยเอง จิตถ้ามันไม่ปล่อยเองจากตัวมันเนี่ยสิ่งนั้นไม่ได้หมดจริงหรอกนั่นหมายถึงว่ามันเป็นการคมแต่ถ้าใจเราเพราบว่าโอ้มันมันไม่ดีเลยไม่ดีจริงๆเนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้ความต้องการสิ่งนั้นหมดไปเลยไหมหมดเลยเด็ดขาดไหมเด็ดขาดนี่คือเด็ดขาดแต่จะรู้ว่ามันไม่ดีจริงๆ จะรู้อย่างนี้ได้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นข้อมูลถูกไหมข้อมูลมาก่อนจึงเพราะโอ้มันไม่ดีจริงๆโอ้มันมีโทษภัยเต็มไปหมดเลยพอเห็นข้อมูลอย่างนั้นความรู้สึกว่ามันไม่ดีจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยจึงเบื่อหน่ายจึงคลายออกจึ ง, จ ง, จ ง, จงไม่ต้องการทั้งอย่างนี้จบหลุดพ้นเพราะรู้ชอบต้องละไห ไม่ต้องละดังนั้นการทำลายกิเลสในทางศาสนาเนี่ยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือสร้างตัวความรู้อย่างเดียวเลยพอความรู้เกิดขึ้นถ้าเป็นความรู้ที่แท้จริงมันจะไม่เบื่อหน่ายได้ไหมได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นความรู้ที่แท้จริ ง, ร ท, ท, รงที่มาถูกทางจริงจริงความรู้นั้นจะต้องนำพาจิตให้หนายคลาย หลุดพ้นได้หน้าที่ของเราคือทําให้จิตหลุดพ้นจะหลุดพ้นเมื่อจิตคลายออกจะคลายออกเมื่อเขาเบื่อหน่ายจะเบื่อหน่ายเมื่อเขารู้ชอบนะรู้ชอบนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจะทําให้เบื่อหน่ายก็คือต้องรู้ชอบอย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวเลย ถ้ารู้แล้วมันยังไม่เบื่อแสดงว่ารู้ชอบหรือยังยังนะเมื่อยังไม่เบื่อเราต้องมาแก้ไขตรงไหนตรงที่ตัวความรู้แสดงว่าตัวความรู้เรามันมีปัญหาไหมมันมีปัญหาละมันน่าจะเป็นเจ้าตัวความรู้ที่ยังไม่มีพันลังให้เราเบื่อหน่ายจริงๆนะถ้าเป็นความรู้ที่ถูกแกะแก้ให้ได้สมบูรณ์แบบเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยจิตจะต้องทาไมเบื่อหน่าย จางกลายหลุดพ้นได้ดังนั้นตัวความรู้คือสิ่งที่เราต้องสร้างให้บริสุทธิ์ญาณทัศนะจะต้องบริสุทธิ์จึงจะมีมิติของความรู้สึกในทางใจที่จะเบื่อหน่ายจางกลายหลุดพ้นนั้นสาระสำคัญที่จะทำให้สิ้นตัณหาจริงๆเนี่ยไม่ใช่การละกิเลส แต่เป็นการสร้างยานทัศนะให้จิตรู้ชอบรู้ชอบแล้วจิตมันจะทำไมเองวางเองวางเองเนี่ยนะมันหมายถึงจิตมันสมัครใจหรือไม่สมัครใจถ้าไม่สมัครใจมันจะวางจริงไหมไม่มาจะเออห้ามใจอย่าไปเอามันนะพอเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปเอามันนะปรากิดขึ้นดูเฉยเฉยนะตรงนี้รู้ชอบหรื อ, อยังยัง ทีนี้มันกวนหยุดัหมไม่หยุดหรอกแต่วันหนึ่งรู้จริงขึ้นมาแล้วไม่น่าต้องการเลยหนอมันจะมากวนอีกั้มไม่แล้วไอ้ น, นี้คือเด็ดขาดเป็นสมุเทเฉดนะนั้นสาระของสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาสติปัฏฐานสี่เพื่อเจ้าจัดไว้ว่าเป็นทางสายตรง เอกายนามะโคมหาสติมาเป็นทางสายตรงเป็นทางสายเอกและเจ้าทางสายเอกทางสายตรงนี่แหละอยู่ในทางสายสายสายเก่าทางสายตรงทางสายเอกมันอยู่ในทางสายเก่าการจะปฏิบัติให้เข้าถึงความสิ้นทุกเนี่ย ต้องใช้ทางสายเก่าบนทางสายเก่ามันมีทางสายเอกอยู่คือสติปัฏฐาน4แล้วการจะเจริญสติปัฏฐานสีให้สมบูรณ์เลยเนี่ยมันขาดองค์ประกอบอื่นๆไม่ได้คือขาดสมาธิไม่ได้จึงต้องมีสมาาสมธิขาดพื้นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อ่อนโยนไม่ได้ไม่งั้นวิปัสนาเนี่ยพิจารณาให้ตายจิตก็ไม่ปล่อย จิตคนเราจะจางคลายได้เนี่ยเมื่อเขาสะอาดอ่อนโยนบริสุทธิ์ได้นะพื้นจิตเนี่ยต้องปรับกระแสให้สะอาดบริสุทธิ์อ่อนโยนให้ได้จิตที่บ่มเพาะปรับพื้นจิตให้สะอาดโดยศีลปราศจากอากุศล น, นะแล้วก็เปลี่ยมไปด้วยกุศลธรรมเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์ดีงามโดยพื้นจิตเนี่ยใจอย่างเนี้ยพอพิจารณารำแล้วมันไปทั้งความรู้สึกเลย สอนเจ้าจิตอย่างนี้ว่าไอั น, นั้นไม่เที่ยงนะเดี๋ยวเขาสงบตามเลยไอันนั้นเปลี่ยนแปลงนะเขาน้อมตามเลยแต่ถ้าจิตเขากระด้างล่ะอ่อนก็ไม่อ่อนกะด้างก็กะด้างสมาธิก็ไม่มีพิจารณาว่านั้นไม่เที่ยงนะนู้นไม่เที่ยงนะเขาจะเป็นยังไงเขาเฉยจิบบางคนไม่เฉยนะลำคาด้วยบอกไม่เที่ยงไม่เที่ยงหลับดีกว่าเป็นอย่างนั้นแต่พออ่อนโยนเข้าไปเนี่ย บางครั้งเนี่ยไม่ต้องพิจารณาสอนเลยนะจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะน้อมเข้าหาธรรมชาติแล้วเขาจะพิจารณาเองเห็นไ้เวลาเราใจสะอาดเห็นอะไรมันเป็นธรรมะไปหมดเลยพอสะอาดแล้วมันอ่อนโยนเงี้พออ่อนโยนแล้วความรู้สึกเนี่ยเขาดูดธรรมะเข้าไปในใจแต่ถ้าใจไม่สะอาดอ่อนโยนบริสุทธิ์พอเนี่ยธรรมะไม่เข้าไปในใจและจิตนั้นไม่เปลี่ยนแปลงงนั้นข้อสาคัญ จะเจริญวิปัสนาชนิดที่ทำให้จิตอ่อนน้อมไปในทางเบื่อหน่ายจังคลายได้เนี่ยนะต้องมีทั้งสมาธิที่ดีเพื่อสร้างความนิ่งชำระกระแสสะอาดต้องมีการป้องกันอกุศลสร้างกุศลเพื่อพื้นจิตสะอาดต้องมีการรักษาศีลให้ดีเพื่อจิตสะอาดพื้นสะอาดใจสงบอ่อนโยนบริสุทธิ์ ด, ดีแล้วไปเจริญสติปัฏฐานสี่นะ การสร้างความรู้จึงมีผลทำให้จิตจางคลายได้มาดูสิสติปทานสี่เนี่ยสี่เขตแดนสี่เรื่องราวเป็นทางสายตรงเป็นทางสายเอกหมายถึงว่าใครก็ตามจะหลุดพ้นต้องรู้แจ้งอริยสัจและอริยสัจทั้งสี่จะสมบูรณ์ ต้องทําให้การรู้แจ้งสติปัฏฐานนั้นครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง4เรื่องและบุคคลจะปฏิบัติมาจากอะไรก็ตามจะเจริญอะไรมาก็ตามถ้าจะหลุดพน้นต้องหลุดพ้นเพราะรู้อริยสัจอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือข้อตายตัวและการรู้แจ้งอริยสัจอย่างเดียวเท่านั้นมีมุมเดียวด้วยเหมือนกัน ที่จะต้องรู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมสี่เขตแดนนี้เท่านั้นด้วยเหมือนกันรู้แจ้งอย่างอื่นไม่มีผลผลิตอริยสัจสีต้องมาที่ทางนี้ก็จะทางสายเอกทางสายตรงแล้วถ้ารู้แจ้งอย่างเดียวรู้แจ้งแค่กายอย่างเดียวกายานุปัสนาเข้มข้นสมบูรณ์เลยแต่เวทนาจิตธรรมยังไม่รู้แจ้ง่ เท่ากับความรู้มันครบถ้วนหรือยังยังยังไม่ครบถ้วนนะสติปัฏฐานจึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งสี่เรื่องไม่ใช่ศึกษาเรื่องเดียวและมันรู้ทั้งสี่เรื่องนะบางคนเข้าใจว่าศึกษากายแล้วไม่ไปรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอะไรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เอามาหมวดเดียวเลยดีมไม่ต้องเอามาสี่เรื่องพระุทธเจ้าวางไว้สี่นะ สังเกตท่านจะเลียงจากหยาบไปลึกตื้นไปลึกง่ายไปยากธรรมานุปัสสนานี่ละเอียดที่สุดยากที่สุดทีนี้เรามาดูเขตแดนดีกว่าว่าเขตแดนในหมวดของกายานุปัสสนาเนี่ยหมายถึงศึกษาให้รู้อะไรรู้แจ้งกายคือเขตความรู้ระดับไหนคาว่ารู้แจ้งกายจนเห็นแจ้งกายในกาย คำว่าเห็นแจ้งกายในกายหมายถึงทะลุปุโ ป, ป่งเรื่องกายเลยหมดความสงสัยเรื่องกายเลยและพบได้ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือมุมหนึ่งและสามารถถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายได้ด้วยถอนความอพอใจไม่พอใจในกายนี้ได้ด้วยเป็นความเห็นแจ้งระดับถอนความพอใจไม่พอใจหมดความยึดมั่นในกายได้เนี่ย ต้องเห็นอย่างทะลุปุโปรงเลยทะลุปุโปรงบนการเห็นอย่างทะลุปุโปรงเนี่ยก็คือผ่านวันคืนทําการศึกษาเจ้ากา ย, นยจนรู้ว่ากายคืออะไรมีธรรมชาติอย่างไรประกอบจากอะไรมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรบ้างเนี่ยการเห็นแจ้งอย่างนี้จนหมดความสงสัยในกายหมดความสงสัยและหมดความพอใจในกายมองเห็นโทษภัยของกายโยมโทษภัยเขาเยอะไห เลนะลองมองดีดีดิทำให้เบื่อร่างกายเลยนะไม่อยากมีร่างกายเลยไม่อยากเกิดเลยละนะโนะยมแค่ไปนั่งดูว่ากายของเรามีโทษอะไรบ้างเนี่ยถ้าไปนั่งดูจริงจริงเนี่ยนะเดือนหนึ่งยังเอาไม่จบเลยนะโทษของกายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือพิจารณาเห็นกายแจ่มแจ้ง การพิจารณากายจนแจ่มแจ้งแล้วพอรู้แจ้งแล้วก็เข้าใจว่ากายเนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างไรไม่ใช่เราอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรบังคับไม่ได้อย่างไรเกิดดับอย่างไรเป็นสิ่งเป็นทุกข์อย่างไรนี่คือเข้าใจพอเข้าใจเรื่องกายหมดความสงสัยในกายยมยังต้องศึกษาเรื่องกายต่อไหมต่อไมไม่ต้องใช่ไหม ไม่ต้องถ้าโยมรู้แจ้งโยมก็ไม่ต้องศึกษาแล้วบางคนศึกษากายมานานแล้วนะเห็นกายเป็นตับไตไส้พุงเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นกระดูปเป็นอะไรยังไม่พอเห็นอย่างนั้นยังไม่เบื่อกายแล้วเบื่อว่าร่างกายเป็นรังของโรคยังไงร่างกายเป็นเหมือนโรคยังไงนะความหิวนี่ใช่โรคไหมแค่ความหิวอย่างเดียวเนี่ยถ้าโยมกินให้เขายมก็ไม่ทรมานพออิ่มเสร็จแล้ว เขาหิวอีกไหมหิวอีกแล้วถ้าหิวแล้วเราไม่กินให้เขาก็ปวดทรมานดิพอทรมานเนี่ยเราก็ต้องกินให้เขาอีกพอกินให้เขาเสร็จอิ่มหายปวดไหมหายปวดหายปวดเสร็จแล้วเดี a, ๋ยวเขาปวดอีกไหมเขาหิวหิวอีกพอหิวอีกไม่กินให้เขาได้ไหมก็ไม่ได้อีกก็ต้องกินให้เขาอีกเหมือนคนเป็นโรคไหมพอปวดก็กินยาพอปวดก็กินยาพอปวดก็กินยา แค่หิวอย่างเดียวน่ะเหมือนเป็นโรคอย่างยิ่งเลยบางทีร่างกายเราเหมือนโรคนะเดี๋ยวโยมต้องไปชำระสสารให้เขาอีกแล้วเดี๋ยวโยมก็ต้องพาเขาไปเขห้องน้ําอีกแล้วพาเขาไปทําความสะอาดอีกแล้วเดี๋ยวเ้าเมื่อยอีกแล้วต้องพาเขานั่งอีกแล้วต้องบิดขี้เกียจให้เขาอีกแล้วเดี๋ยวต้องคอยระวังภัยให้เขาอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องหาเสื้อผ้าเขาใส่อีกล้เดี๋ยวโยมต้องหาบ้านให้เขาอยู่อีกแล้วเดี๋ยวฝนตกต้องหาล่มให้เขาอีกแล้วเดี๋ยวแดดออกก็หลบแดดให้เขาอีกแล้วคือวุ่นกับเขาตลอดพูดเยอะเดี๋ยวก็ต้องดื่มน้ําาให้้เอีกลำ เวลายมง่วงยมก็ต้องพาเขาไปนอนอีกแล้วพาเขาไปนอนยมก็ต้องหาที่นอนให้เขาอีกแล้ววันวันเนี่ยยุ่งกับเขายุ่งกับร่างกายและไม่จบยมกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยมันจบไหม ย, ยมกินจนวันตายหมายถึงว่าเหมือนคนป่วยไหมต้องกินยาตลอดอได้เวลากินยาอีกแล้วนะเพื่อบำบัดความหิวนะได้เวลาไปชำระสะสางอีกแล้วก็ต้องไม่อาบน้าให้เขาอีก ทุกวันอาบน้ําวันเดียวจบนะพาเขาไปชําระสีสามเหมือนคนเป็นแผลเป็นฝีเลยต้องล้างฝีทุกวันเดี๋ยวล้างแผลอีกแล้วต้องคอยระวังแผลให้เขาไหมต้องระวังตัวให้เขาอีกเดี๋ยวมดกัดเขาเดี๋ยวงูกัดเขาเดี๋ยวรถจะเฉี่ยวเขาเดี๋ยวคต้องระวังให้เขาอีกต้องกังวลเรื่องเขาไหมต้องกังวลอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะแก่อีกละแก่เป็นทุกข์ไหมมีใครแก่ไม่ทุกข์มั้ย พอแก่ก็เดี๋ยวเมื่อยเร็วอีกเหนื่อยเร็วอีกเดี๋ยวตาไม่ดีอีกขัดใจตัวเองตลอดทําอะไรก็ไม่ได้แต่งใจนะลิ้นก็ไม่ค่อยจะรับรสชาติอ ต, ต่างๆพอแ ก, ก่ก็ทุกนะ อ, นอึดอัดเมื่อยง่ายปวดง่ายเจ็บง่ายอีกพอร่างกายเป็นภาระยอย่างเนี้ยต้องใช้เงินไหมใช้เงินอีกพอใช้เงินต้องทงาําไงต้องหาเงินอีกเยอะไหมะแค่ร่างกายตัวเดียวนะมันทุกไหมเนี่ยพิจารณาการเห็นว่ามันเป็นสิ่งเป็นทุกเนี่ยยาวไหม อย่าโยมอย่าพิจารณาสั้นๆสิพิจารณาสั้นโยมเลยไม่เบื่อกายไงมันไม่เบื่อว่าโอ้กายมันเป็นสิ่งเป็นทุกข์จริงๆกายมันเป็นด่างโรคจริงๆเจ้ารูปเนี่ยเป็นเหมือนโรคเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเป็นทุกข์เป็นสิ่งร้อนเป็นสิ่งบังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรา เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงคือพิจารณาจนพอจิตรู้สึกโอ้โหไอนี้มันเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงหนอพอรู้สึกอย่างนี้จิตมันสงบเลยกายนี้มันเป็นดังโรคหนอพอจิตมันพิจารณายี้ปุ๊บมันสงบเลยหมายถึงว่าอารมณ์จิตเขาเอาด้วยไหมเขาเอาด้วยแต่พิจารณาว่ากายเปลี่ยนแปลงหนอจิตมันเฉยฉิตอย่างเงี้ยหมายถึงว่าการพิจารณานั้นสมบูรณ์หรื อ, อยัง ยังไม่สมบูรณ์นะทะลุทะลวงวเออมันไม่ใช่เรามาจากดินน้ำไฟลมมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับแต่มันยังเฉยอยู่อย่างเงี้ยถือว่าสมบูรณ์หรือยังยังเมื่อไม่สมบูรณ์มันยังกั่นความรู้สึกที่จะถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกได้เนี่ยต้องทำไมต่อพิจารณาจนกว่าจะสุขงมย่มต้องบ่ม บ่มการพิจารณาซ้ำซากจนเห็นโทษสุกงอมเลยจนกลัวเจ้ารูปนี้เลยจนเบื่อหน่ายในรูปเลยเบื่อหน่ายในการเกิดเลยเห็นรูปเป็นด่งโรคเลยเป็นเหมือนของว่างเปล่าเป็นสิ่งเป็นภัยจริงๆเป็นความร้อนเป็นความวุ่นวายใค่หิวตัวเดียวทำให้คนติดคุกได้ไั้ยหิวตัวเดียวทำให้คนทำชั่วได้ไหมหิวตัวเดียวทาให้คนร้อนรุ่มได้ไหม แค่ร่างกายตัวเดียวเนี่ยบางทีทําให้ชีวิตคนเราเนี่ยจมความทุกข์ได้เลยนะแค่วิ่งตามเขาต้องดูแลเขาโยมไม่ดูแลเขาได้ไหมได้ไหมไม่ไ ด, ไได้ไม่ดูแลไม่ได้เหมือนเขาบังคับเราไหมเนี่ยเขาบังคับเราเนะ่เนี่ ย, าารรยจริงๆเขาบังคับว่าเราต้องทํานะดังนั้นโยมโดนบังคับตลอดเนี่ยถามว่ายมมีอิสระไหมอืมไม่มีนะดีไหม ไม่ดีเดี๋ยวแกบังคับให้ฉันต้องเข้าซัวมอือนละเดี๋ยวแกบังคับให้ฉันต้องบิดขี้เกียจให้แกอีกละ เ, <ค>เขาบังคับเราตลอดนะเจ้ารูปเนี่ยเขาบังคับเราตลอดและชีวิตทุกคนมีรูปก็หมายถึงมีสิ่งเป็นทุกข์ประจําอยู่เลยทุกคนเลยเห็นรูปเนี่ยโดยความเป็นสิ่งเป็นทุกข์เลย <M> ลเป็นโทษพิจารณาเห็นเจ้ารูปโดยความเป็นสิ่งเป็นทุกข์สิไปพิจารณาที่เห็นมันเป็นทุกข์เนี่ย ให้เห็นว่าไปเป็นโทษเนี่ยไปหาดิมันเป็นโทษอะไรบ้างพิจารณาเห็นว่ามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนั่งมองเลยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงยังไงแต่จะรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงเห็นเป็นฉากฉากฉากฉากฉากเลยพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่ใช่เราไปพิจารณาซิจนกว่าเฉยๆมันไม่ใช่เราจริงๆนะพิจารณาเห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับอืไปดูสิมันเกิดดับยังไงพิจารณาว่ามันประกอบจากดินน้ำไฟลม ไม่ได้มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยเนี่ยพิจนะเห็นอย่างเนี้ยจนกว่าจะเห็นพิจารณาจนเห็นว่าเออมันประกอบจากดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นสิ่งเป็นทุกข์เป็นสิ่งไม่ใช่เราเป็นสิ่งมีโทษเป็นสิ่งมีภัยเนี่ยเป็นสิ่งบังคับไม่ได้จนจิตเนี่ยคลายความพอใจในรูปหรือในกายนี้ได้เนี่ยหมายถึงแจ่มแจ้งหรือยังแจ่มแจ้งอย่าง ไม่แน่ใจหลับอยู่ไหพิจารณาอย่างนี้หมายถึงความรู้สึกของจิตมันสุกงอมตามการพิจารณาไปด้วยไหมสุกงอมตามการสร้างความรู้ให้เข้าใจเนี่ยคืออย่างหนึ่งนะกับการสร้างความรู้สึกให้สุกงอมไปกับความรู้เนี่ยคืออย่างหนึ่งเพราะการหลุดพ้นมันหมายถึงจิตนั้นมีความรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเบื่อหน่ายนะ เมื่อลูกสึกเบื่อหน่ายจึงคลายเมื่อคลายจึงหลุดออกเหตุนั้นการปฏิบัติมันต้องทั้งสร้างความรู้และสร้างความรู้สึกต้องรู้สึกใครไม่รู้สึกเนี่ยหมายถึงมันเป็นไงมันจะละอะไรมไหยเฉยๆฉันเฉยๆฉันเฉยๆเฉยตลอดเนี่ยนะก็ไม่คลายอะไรดังนั้นเท่ากับพลังการสร้างความรู้พิจารณาในเรื่องกายเนี่ย มันยังไม่แจ่มแจ้งพอจึงยังไม่ถอนความพอใจไม่พอใจที่มีอยู่ในโลกออกเสียได้ถ้ายังถอนไม่ได้ไหมายถึงว่าต้องทาไมต่อพิจารณาต่อนะต้องรีบไปหมวดเวทนาจิตธรรหมต้องรีบมใจเย็นเย็นเอาทีละหมวดนั้นหมวดกายเนี่ย ถ้าพิจรณาก็เห็นว่ามันเป็นแต่ศพเป็นแต่ร่างกายเป็นแต่สิ่งเป็นกูลเนี่ยมันพอไหมไม่พอหรอกนะมันไม่พอพิจารณาที่แจ่มแจ้งจริงๆมันให้คําตอบที่พบว่ามันไม่ใช่เราและมันเป็นสิ่งเป็นทุกข์เป็นภัยและใจเนี่ยคลายความพอใจเลยอารมณ์เย็นไปเลยกับรูปเลยนะกับกายเลยเย็นไปเลยนี่คือเห็นแจ้งกายในกาย คำว่าเห็นแจ้งกายในกายหมายถึงเข้าใจธรรมชาติของกายอย่างลึกซึ้งทั้งหยาบประณีตละเอียดทั้งภายในทั้งภายนอกเลยว่ามันมีธรรมชาติอย่างไรนี่คว่าเห็นแจ้งกายในกายการเห็นแจ้งอย่างนี้หมายถึงเป็นความงอกงามของตัวความรู้หรือตัวสติสัมปชัญญะสอ2อย่าง ส อ, อย่างเพราะทุกครั้งของการพิจารณาตรงนั้นจะเป็นผู้มีสติสมชัญญาไหมมีทุกครั้งแห่งการกระทําในใจตรงนั้นต้องมีการเจริญสติสมัญญะอยู่ในนั้นอยู่แล้วและมันจะได้เกิดการงอกขึ้นทั้งสติและปัญญาไปด้วยกันเลยและสิ่งหนึ่งคือความจางคลายถ้าปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นจะไม่คลายเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนยมรู้ความจริงแล้วเนี่ยมไม่เอาอีกแล้ว ตอนยังไม่รู้จริงเนี่ยบางทีเรายังไม่ปล่อยเขาหรอกนะแต่วันหนึ่งเรารู้จริงขึ้นมาอมพอแล้วไม่เอาละเคยหมยอนันนี้คือพอรู้จริงต้องคลายถ้ารู้จริงต้องคลายแล้วตรงคลายเนี่ยต้องทำั้ยไม่ต้องทำนะเพราะการคลายต้องเกิดด้วยจิตสมัครใจเองถ้าไม่สมัครใจเอง การหลุดพ้นนั้นไม่แท้จริงไม่เด็ดขาดไม่เป็นสมุดเชหมวดกายานุปัสนาหมวดเดียวเนี่ยครอบคุมความรู้ที่นำพาให้ไม่อยากเกิดเลยนะตกลงตื้น ล, ลึกอืมพอสมควรนะนี่คือฐานแรกต่อมาหมวดเวทนานุปัสนา เป็นเขตของการศึกษาให้รู้จักสุขทุกทั้งหลายในโลกชีวิตคนเราเนี่ยติดข้องอยู่ในโลกเนี่ยเพราะยินดีพอใจในสุขทั้งหลายที่โลกนั้นมีนะสุขทั้งหลายในโลกเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าบุคคลต้องการจะเหนือสุขเหนือทุกสามารถจะคลายความเยื่อใยในสุขและทุกทั้งหลายที่มีในโลกได้เนี่ยจะไม่มาทำความศึกษาหรือเข้าใจเรื่องสุขทุกในโลกเนี่ย จะละสุขทุกในโลกได้ไหมไม่ได้หรอกคนจะหมดความเยื่อใยในสุขทั้งหลายของโลกทั้งหยาประนีดละเอียดเมื่อรู้แจ้งเลยว่าสุขทั้งหลายในโลกทั้งหยาประนีละเอียดนั้นไม่น่าต้องการเลยไม่มีแก่นสารเลยเท่านั้นจึงสามารถที่จะถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้จะถอนได้ การกระทํางวิปัสนาจะต้องเกิดกระบวนการการศึกษาสุขทุกข์ทั้งหลายเหมือนโยมนั่งดูสุขเนี่ยความสุขของโยมเนี่ยเกิดจากอะไรกันบ้างสุขทั้งหย่าปราณีตละเอียดเลยเน่ยพอเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะสุขจากอะไรมันค้างตลอดไหมไม่โยมสุขก็จะดับไปเคยสุขลึกแค่ไหนก็ดับไป ทุกความรู้สึกอย่าประณีตละเอียดต้องดับไปพระพุทธเจ้าให้ตรวจตราสุขคนเราต้องการความสุขและอยากจะละสุขและทุกข์ได้ต้องศึกษาให้รู้แจ้งว่าสุขและทุกข์ในโลกนี้คืออะไรการศึกษาให้รู้ว่าสุขทุกคืออะไรเนี่ยยากกว่าศึกษากายไหมใครว่าง่ายกว่ายากกว่านะ การมานั่งมองสุขทั้งหยาปานีดละเอียดเพื่อให้เห็นว่าสุขทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยทั้งหยาปานีดละเอียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้มันเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งเกิดดับมันเป็นสิ่งที่มีภัยมันเป็นสิ่งที่มีโทษซ่อนอยู่มันให้สุขน้อยแต่มันให้ทุกมากการพิจารณาจนเห็นขนาดอย่างเนี้ยคือการตามมอง มองและศึกษาการศึกษาสุขทุกทั้งหลายในชีวิตของคนเราเนี่ยทำให้เกิดการมองไปถึงโลกกว้างเลยว่าคนอยากจะรู้ว่าสุขคืออะไรเนี่ยคนจะต้องสาวไปถึงว่าอะไรทาให้สุขถูกหมสุขเกิดจากอะไรกันบ้างเคยนั่งดูไหมไม่เคยแล้วจะละสุขได้ไหมไม่ได้ก็เลยต้องเป็นข้อหนึ่งว่าคนเราเนี่ย จะถอนความพอใจไม่พอใจในสุขทุกข์ทั้งหลายในโลกอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้เนี่ยเมื่อมาค้นคว้าเรื่องเวทนานี้คว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเวทนาภาษาชาวบ้านนะถ้าเวทนาภาษาชาวบ้านคือปวดปวดขาปวดแข้งเนี่ยเรียกเวทนานะแต่คําว่าเวทนาภาษาธรรมเนี่ยคือความรู้สึกนะการเสวยความรู้สึกของจิต ทุกความรู้สึกเลยละ่ะให้ดูว่าความรู้สึกทั้งหลายที่คนเรายังชอบหรือคนเราชังเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรสุขที่ทําให้คนเรามีความสุขโดยแท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรและสุขอย่างนั้นเนี่ยมีความมีธรรมชาติเป็นอย่างไรการค้นคว้าอย่างนี้ยทำพุทธเจ้าค้นพบเหมือนกันพุทธเจ้าก่อนมาตรัสรู้ก็ค้นคว้านิเวทนาท่านพยายามค้นคว้าหาสุขโดยส่วนเดียวสุข แท้ๆพอได้แล้วสุกแช่ตลอดการยาวนานเลยเนะี่ยท่านใช้การค้นคว้าโดยแยบคายเพื่อดูหาสุขส่วนเดียวเนะี่ยหาไม่เจอได้ไมาแล้วสุขเลยอ่ะไม่เจอโดยมากสุขอะไรที่ได้มาต้องดับยมงไม่เช้ากินข้าวอร่อยไหมยังอร่อยมาถึงตอนนี้ไหมใครอร่อยค้างมั้จะอร่อยต้องไปทำไมต่ อ, อไปกินใหม่กินแล้วค้างต่อไหมไม่ สุขทุกข์รดไม่ว่าโยมสุขจากอะไรโยมไปาลงทุนเสียตังไปเที่ยวต่างประเทศตั้งไกอร่อยอยู่สามวันกลับมาเป็นไงค้างไหมค้างไหมไม่ค้างลดอร่อยเนี่ยมันทําไมหายบางคนกลับมาโดนคนที่บ้านดา่าไม่หายอย่างเดียวร้อนต่ออีกด้วยนั้นไปเนี่ยเสียเวลานา น, านลงทุนไปเยอะเก็บเงินต้องนานไปอร่อยอยู่สามวันกลับมาบ้านหายเกลี้ยงเลยเสียดายไหมเสียดายเนาะ แต่ก็เดี๋ยวไปอีกไม่ได้นั้นท่านหาสุขชนิดวัดได้มาแล้วแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าอยู่อย่างนั้นก็ไม่ต้องหามันอีกพอไม่ต้องหามันอีกก็ได้อยู่สงบเสียทีแต่มันไม่มีสุขอย่างนั้นไม่ว่าโยมจะได้สุขอะไรโยมได้เสพแล้วมันก็จะดับพอดับโยมต้องทําไมมันอีกไปหามันอีกพอเสพแล้วมันก็ดับดับโยมทำไมอีกหามันอีกดังนั้นสิ่งที่ได้มาเนี่ย พอได้มาแล้วเนี่ยมันต้องหายไปอีกเท่ากับชีวิตคนนั้นเนี่ยจะอยู่สงบได้ไหมไม่ได้ไม่มีสุขอะไรเลยที่ได้มาแล้วไม่หายไปและบนการกว่าจะได้มันมาเนี่ยบางทีต้องเกี่ยวพันการดิ้นร น, นขนวายแก่งแย่งแข่งขันพอได้มาเสร็จหายไปพอมองสุขทั้งหลายอย่าประณีตละเอียดสุขไดมาแบบง่ายๆนะอย่างเช่น สุขจากการได้กินอะไรอร่อยอย่างเงี้ยยมได้มาเลยไม่กินอะไรอร่อยไม่ได้ยมต้องไปกินจะไปกินต้องไปหาของกินจะหาของกินต้องหาเงินจะหาเงินต้องทำงานจะทำงานต้องหางานกว่าจะมีคำว่าหนึ่งอร่อยเนี่ยมันเยอะไ้มเยอะเพราะทำงานนี่บางทีต้องแข่งขันกันบางทีต้องสู้กันบางทีต้องทะเลาะกันกว่าจะได้คาว่าหนึ่งอร่อยเนี่ยคนเรื่องมันยาวนะงนั้นมนนั่งดูสุข ทั้งหลายที่กำลังจะเอามันมาเป็นของตนเนี่ยได้มาก็ว่าจะได้นิดดิ้นแทบตายบางทีเนี่ยแค่อยากสุขเนี่ยทำให้ตัวเองต้องไปทำชั่วเต็มไปหมดเลยมีมะมมีแล้วสุขที่ได้มาพอได้เสร็จแล้วอยู่กับคนนั้นมะไม่อยู่สิเห็นอย่างนี้บ่อยๆยังอยากจะได้มันไหมแน่ใจนะ พอเห็นความสุขมานั่งพิจารณาสุขทั้งหลายมีธรรมชาติอย่างไรอย่างละเอียดละ อ, อเนี่ยพบว่าโอ้สุขทั้งหลายเนี่ยมีสุขน้อยมีทุกข์มากได้มาสุขเลยเด่นเนี่ยมันไม่มีหรอกคุณต้องลากทุกสิ่งเพื่อไปเอามันมาแล้วพอได้มาแล้วก็บังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดับไปพอดับไปก็ไปเอาใหม่อีก ได้มาก็ดับไปดับไปก็ไม่เอามาอีกหนึ่งสิ่งที่ได้มามันก็ไม่เที่ยงหรือบางทีตัวเราเองมันก็ไม่เที่ยงพอได้มาเสร็จตายอย่างนี้สนใจไหมไม่แน่ใจนะฉันคิดว่าพอได้อ น, นี้มานะฉันจะถ้าสวยสุขกับมันพอได้มาจริงจริงตา ย, ตายดันั้นความไม่เที่ยงถ้ามีอยู่กับเวทนาแล้วเนี่ยเวทนาอย่างนั้นเนี่ยทให้คนทุกข์ได้ไห โยมอยากได้ความสุขนี้มากๆพอคาดหวังพอจะได้จะได้พวกพวกมาชิงเราไปทุกไหมทุกเห็นไหมเวทนามันไม่เที่ยงพอได้มันมาสักพักหนึ่งมันจืดไปถึงแม้บางสิ่งโยมได้อะไรมาเช่นโยมอยากได้รถหรือรถใหม่ๆสักคัน อ, อยากได้พอได้ใหม่ๆมีความสุขไหมสุขโยมสุขเหมือนได้รถวันแรกตลอดสักสิบปีได้ไหม เดี๋ยวโยมจะทำไมมันเบือบ่อมันังนั้นความรู้สึกเองก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงจืดจางสิ่งที่มาทำให้รู้สึกก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและจืดจางเป็นไปได้สองทางเลยดังนั้นอะไรก็ตามในโลกเนี่ยถ้าไปหาก็ไปมาจริงๆมีอะไรมาได้มาแล้วแล้วคงที่เลยไม่มีหลอก เพราะพระพุทเจ้ามาค้นขวาเรื่องสุขทั้งหลายมาทําวิปัสสนามาทําการศึกษาให้รู้แจ้งเวทนาเนี่ยก็ให้รู้แจ้งสุขทุกขทั้งหลายในโลกนี่แหละว่าในโลกนี้สุขทั้งหลายเนี่ยที่คนเราต้องการที่เราอยากได้เนี่ยมันมีสุขชนิดไหนไม่หนอที่ทําให้เราเนี่ยสุขจริงๆรงิพอจะศึกษาเรื่องสุข เขตการศึกษามันทําให้เกิดการไปเรียนรู้สิ่งที่มาทําให้สุขนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมการศึกษาเวทนาทําให้รู้แจ้งต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมด้วยรู้แจ้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมรู้แจ้งสุขทุกข์ทั้งหลายในโลกเนี่ยโดยถูกลักษณะความรู้แจ้งอย่างเนี้ยทาให้เห็นว่าเวทนาทั้งหลายมีแก่นสารนะ สิ่งที่ทําให้เกิดเวทนาทั้งหลายเนะี่ยมีแก่นสารไหมไม่มีเมื่อพบว่าไม่มีแก่นสารมีแต่ความแปลปลวนบังคับไม่ได้ไม่ควรถือเอามาเป็นเราเป็นของเราเลยเป็นแด่สิ่งเป็นทุกข์เป็นของร้อนเป็นสิ่งวุ่นวายเป็นของไม่สงบมีทุกข์เยอะมีสุขน้อยอย่างเนี้เห็นอย่างงี้จริงๆทั้งด้วยปัญญาและด้วยใจตนจะเบื่อหน่ายในเวทนาทั้งหลายได้ไหม เมื่อเบื่อหน่ายในเวทนาเนี่ยจะเบื่อหน่ายต่อรูปเสียงกิริยลดโพธิภพธรรมลมได้ไหมได้เพราะรูปเสียงกิริยลโพธิภพธรรมลมเนี่ยทำให้เกิดเวทนาถ้ายมไม่เอาอีกแล้วทั้งความรู้สึกทั้งหยาบปะณีตละเอียดก็แค่นั้นเองเออแกอร่อยให้ตายเดี๋ยวแกก็ดับอีกแล้วอร่อยให้ตายเดี๋ยวแกก็ดับอีกแล้วเหนื่อยที่เกลียดหาแล้วอยู่ว่างๆดีกว่าอะไรอย่างนี้เช่นโยมจะไปต่างประเทศทิ้งนะเก็บเงินพอคิดว่าเออไปเสร็จ มันสนุกอยู่สามวันแล้วกลับมาแล้วคืนอารมณ์เดิมทำไงเนี่ยนะตอนนี้อย่างอารมณ์อารมณ์เบื่ออารมณ์ฟุ้งอยากหาที่เที่ยวสักที่นึงไปเที่ยวปุ๊บสุขลื่นเลงกลับมาปุ๊บมันจะหายฟุ้งั้ยหายหั้มเดี๋ยวฟุ้งค <c oughs> ืนอย่างเก่าฟุ้งคืนอย่างเก่าทำไงไอที่ไปเที่ยวมาหายไปเลยน่เสียดายไมไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวใหม่ดังนั้น คือคนที่พิจารณาจริงๆเขาจะมองว่าไอ้นี่มันไม่จบมันไม่อัมตะมันไม่สงบมันดิ้นรนมันต้องขนขวายมันต้องวุ่นวายมันไม่อิสระมันบังคับไม่ได้มันแปรปรวนมันไม่ใช่เราท่านลองพิจารณาแล้วไปเห็นในมุมอย่างนี้ตามพระทเจ้าเนี่ยเบื่อหน่ายเวทนาได้ไหมแน่ใจนะงั้นลองไปพิจารณาดู ไปพิจารณาให้เห็นเวทนาตามที่เป็นจริงเลยให้เห็นแจ้งเวทนาในเวทนาพอเห็นแจ้งแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรมันเกิดปัญญามันเกิดนะเห็นแจ้งนะ่คือตัวปัญญามันเกิดหมดความสงสัยในสุขทุกข์ทั้งหลายของโลกของชีวิตเลยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งว่างเปล่าไม่มีก่นสารเป็นสิ่งเกิดตับบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรา ไม่ควรที่จะยินดีพอใจเป็นสิ่งเป็นทุกข์นะพอรู้สึกอย่างนี้แล้วจิตไม่เอากับมันเสียเองเนี่ยการหยุดความต้องการมันจะเย็นไหมเย็นอยู่เหนือเวทนานี่คือเหนือโลกเลยนะเหนือโลกเลยนะรู้แจ้งเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายในโลกเนี่ยคือรู้แจ้งโลกภายนอก รู้แจ้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏระธรรมรมเนี่ยคือโลกภายนอกเนีรู้แจ้งในส่วนของธรรมรมเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ภายในแล้วก็โลกภายนอกด้วยนะธรรมรมเนี้ยธรรมรมบางชนิดเป็นสัญญาของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนั่นแหละอย่างเช่นยอมไปเจออะไรสวยๆยอมเก็บมาไว้เป็นสัญญาได้ไหม นั่งก่อนกินข้าวก็ลอยมาทีหนึ่งสัญญาเรื่องเรื่องสวยๆมาอีกแล้วตรงนั้นใช้ทํามารมไหมธรรมารมแต่ก็เป็นเรื่องของกามะคุณที่อยู่ในรูปธรรมารมธรรมารมบางอย่างไม่ใช่กามะคุณอย่างเช่นอารมณ์ของฌานอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ความอิ่มสุขสงบเนี่ยบางคนชอบเหลือเกินดังนั้นคือธรรมารมที่ไม่เกี่ยวกับกามะคุณก็คือธรรมารม นะจะรูมันให้ดื่มน้ำให้มันอีกแล้วต้องดื่มให้มันอีกหน่อย <c oughs> นี่หมวดเวทนานุปัสสนาพิจณาจนเข้าใจเลยว่าทุกสิ่งในโลกเนี่ยไม่มีก่นสานเนี่ยตื่นไหมตื่นไหมโยมแน่ใจนะเข้าใจเลยว่าไม่มีสุขอะไรเลยที่น่ายินดีพอใจสุขอย่าประณีตละเอียดก็เท่านั้นเองหนอเนี่ยโอ้โหเข้าใจถึงขนาดนี้นี่ทาไงเนี่ย น้องๆ อ, งอนาคาเลยนะเขาใจขนาดนี้เนี่ยดังนั้นบนความเข้าใจอย่างนี้จิตจางคลายได้ไหมได้ทีนี้จะเข้าใจอย่างนี้ก็คือต้องไปศึกษาด้วยการตามมองให้รู้แจ้งเจ้าเวทนาตามที่เป็นจริงไม่ใช่เวทนาปวดนะนั่งปวดแล้วเออนี่คือเวทนาไอ้นั้นเวทนาภาษาชาวบ้าน แต่เวทนาในระดับเหนือเวทนาเนี่ยคือเหนือโลกเลยเหนือสุขเหนือทุกเนี่ยใช่เหนือโลกไหมใช่ไหมเพราะสุขทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากรูปเสียงกิจลดผลิตภัณธรรมลมทุกทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากรูปเสียงกิจลดผลิตภัณธรรมลมเหนือสุขเหนือทุกได้คือไม่เอาอีกแล้วสุขอย่าไปนิรละเอียดพอเป็นของว่างเปล่าเป็นสิ่งเกิดดับพอละเวทนาก็ละโลก นั้นพอคนมาศึกษาหมวดกายเวทนาแล้วเนี่ยพอศึกษาหมวดกายหมวดเดียวรู้แจ้งระบบรูปรขันจนไม่อยากเกิดแล้วนะรู้แจ้งเวทนานุปัสนาจนแจ่มแจ้งเนี่ยเบื่อสุขทุกข์ทั้งหลายในโลกเลยเบื่อกา ม, มคุณเลยนะไม่มีอะไรน่าต้องการเลยหนามีแต่สิ่งบังคับไม่ได้นะมีแต่สิ่งว่างเปล่าไม่มีกันสาร เห็นอย่างนี้ถอนความพอใจไม่พอใจในโลกได้ไหมในอารมณ์การรู้แจ้งเวทนาได้นะนั้นหมวดเวทนานุ ป, ปัตสนาเนี่ยก็เป็นหมวดที่ต้องสร้างทั้งความรู้และความรู้สึกถ้าความรู้เกิดขึ้นว่าโอเวทนาเกิดดับเวทนาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง เ, ลเวทนาอย่าไปนิยละเอียดเป็นของไม่ใช่เราแต่จิตมันยังเฉยๆอยู่น ถือว่าจบหรือยังยังเหมือนโยมเด็ดมะม่วงแก่นะเด็ดมะม่วงที่ดูว่าแก่แล้วเนี่ยเอามาใส่หลังบ่มตราบเท่าที่ยังไม่สุกโยมก็ต้องทำไมแช่อยู่ในหลังนั่นแหละจนกว่ามันทำไมจะสุกนั้นตราบเท่าที่จิตยังไม่ก่อความรู้สึกจางคลาย อย่างแท้จริงจากสิ่งที่พิจารณาเนี่ยโยมก็บ่มการตอกย้ำความรู้ให้จิตมันแช่อยู่กับความรู้อย่างนั้นอยู่นั่นแหละแช่อยู่กความรู้ว่ามีโทษภัยไม่ใช่เราเปลี่ยนแปลงแปลปวนหนออยู่อย่างเนี้ยอยู่ซ้ํซาก บ, บ่อยๆเบือเ่อได้ไมได้ได้นะนอกจากโยมจะเบื่อที่จะแช่การพิจารณาตัวเองนะคิ้เกียพิจารณาคนเราคิดเกียดพิจารณาได้นะ เพราะว่ามองไปก็เหมือนว่ารู้เห็นเข้าใจตรงนี้แหละทาให้หยุดการพิจารณาพิจารณาว่าเกิดดับก็เห็นว่าเกิดดับไม่ใช่เราก็เห็นว่าไม่ใช่เราไม่เที่ยงก็เห็นว่าไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ก็เห็นว่าบังคับไม่ได้นะเข้าใจหมดบนความเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยถ้าจิตไม่อ่อนโยนบริสุทธิ์พอเนี่ยมันทำให้เข้าใจแล้วเฉยกระด้าง บนความเข้าใจยังไม่มีแรงถอนความพอใจไม่พอใจในโลกได้ดังนั้นโยมจะต้องมีการพิจารณาจนกว่าจิตจะรู้สึกเมื่อจิตรู้สึกเนี่ยจึงใช้คาว่าจิตนั้นเขาเห็นแจ้งให้จิตเห็นแจ้งนะไม่ใช่แค่ตัวปัญญาเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกของใจนี่เขากระจ่างเลยก็รู้สึกเลยนั้น การพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเวทนาเนี่ยถ้าเราพิจารณาแต่เรื่องกายอย่างเดียวจะรู้เราจะรู้แจ้งสุขทุกข์ในโลกได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้พระเจ้าจึงต้องมีอีกเรื่องคือเวทนาที่บุคคลนั้นต้องไปกระทาวิปัสสนาให้รู้แจ้งเวทนาในเวทนา รู้แจ้งเวทนาต่อมาการรู้แจ้งกายเวทนาเนี่ยหมายถึงรู้แจ้งขอบเขตของร่างกายและก็รูปเสียงกิริดผภั์ทั้งหลายในภายนอกละอีกหมวดหนึ่งคือให้รู้แจ้งจิตตามที่เป็นจริงการศึกษาให้รู้แจ้งจิตตามที่เป็นจริงเนี่ยก็บวน คือกระบวนการของการทําวิปัสนาเพื่อให้รู้ว่าจิตเนี่ยหรือเจ้านามประธรรมตัวนี้มันคืออะไรมันมีธรรมชาติอย่างไรไม่มีธรรมชาติอย่างไรมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรมันดับสนิทได้อย่างไรมันมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรและไม่ใช่เราอย่างไร เท่านี้จึงเข้าถึงเขตความรู้ที่เรียกว่าเห็นแจ้งจิตในจิตคําว่าเห็นแจ้งจิตนี่หมายถึงว่าเรารู้แจมแจ้งเรื่องราวของจิตเราอย่างครบถ้วนบริสุทธิ์เลยถ้ามีคนมาถามเรื่องจิตกระยมโยมตอบได้ทันทีเลยว่ามันคืออะไรทํางานอย่างไรเกิดจากอะไรดับยังไงไม่ใช่เราอย่างไรมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรนี่คือเห็นแจ้งจิตในจิต แต่ถ้ายังไม่เห็นแจ้งยมจะสงสัยเรื่องราวของจิตได้ไหมได้นะคำว่าเห็นแจ้งจิตหมายถึงไม่เหลือความสงสัยในเรื่องราวของจิตอีกเลยถ้ายังเหลือจะเรียกว่าเห็นแจ้งได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเขตก็ว่าเห็นแจ้งจิตในจิตเนี่ยหมายถึงทะลุปปโปร่งเลยว่าจิตคืออะไรมีธรรมชาติอย่างไร บนการศึกษาที่ถูกลักษณะของการตามกระทําวิปัสนาเพื่อรู้แจ้งจิตเนี่ยจะทำให้คนนั้นค้นพบว่าจิตมีธรรมชาติอย่างไรและในการค้นพบว่ามีธรรมชาติอย่างไรเนี่ยเขาจะพบว่าไม่มีเราอยู่ในจิตอย่างไรและพอไม่มีเราอยู่ในจิตและจิตไม่ใช่เราด้วยและพบว่าจิตเป็นสิ่งเกิดดับและรู้ว่ามันเกิดดับอย่างไรและรู้ว่าจิตเกิดจากอะไร ดับสนิทลงไปได้อย่างไรและรู้ว่าจิตนั้นมีโทษภัยอะไระอันนี้คือเขตการรู้แจ้งจิตในจิตและบนการรู้แจ้งที่สมบูรณ์เนี่ยคนนั้นต้องเข้าถึงความรู้สึกที่เบื่อหน่ายคลายความติดใจในจิตได้ด้วย Này, ถอนความติดใจย ony, ินดีพอใจต่อเจ้าจิตนี้ได้ด้วยเบื่อหน่ายในจิตได้ด้วยครายความยึดถือว่าเราออกจากจิตได้ด้วยเห็นแจ้งจิตโดยความไม่ใช่ส mm ัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้ด้วยเขตความรู้ระดับนี้จึงเรียกเป็นความรู้แจ้งจิตในจิตง่ายมทำไมยากกว่าเวทนามัมยากกว่าพระเจ้าเรียงจาก ตื่นไปสู่ลึกเห็นไหมพอมาถึงเรื่องจิตนี้ลึกแล้วการมาค้นคว้าว่าจิตทำงานอย่างไรเนี่ยทำยังไงอะ่ะถ้าไม่รู้เทคนิควิธีบางทียังไม่รู้เลยว่าจะดูยังไงถูกไหมดังนั้นการมาทำการศึกษาให้รู้จักธรรมชาติของจิตจนเกิดกระบวนการการก่อความรู้แจ้งเรื่องจิตตามที่เป็นจริงให้เกิดขึ้น มีปัญญาสมบูรณ์ที่แจ่มแจ้งเลย ว, ว่าจิตมีธรรมชาติอย่างไรเนี่ยจึงเป็นเรื่องของวิปัสสนาในระดับที่ต้องใช้พลังของสมาธิและความบริสุทธิ์ของจิตที่สูงขึ้นพิจารณาเรื่องกายเนี่ยใช้สมาธิไม่ค่อยเยอะพิจารณาเรื่องเวทนาเนี่ยสมาธิต้องดีขึ้นพิจารณาเรื่องจิตนี่สมาธิต้องดีแข็งแรงกว่าการพิจารณาเรื่องเวทนาด้วย ไม่งั้นไปไม่เป็นเลยดูก็ไม่เห็นด้วยนั้นเขตการพิจารณาเรื่องจิตเนี่ยพอมาถึงเขตนี้เนี่ยพอรู้แจ้งจิตหมายถึงบุคคลนั้นแจมแจ้งกายเวทนาจิตครบสามฐา น, นการรู้แจ้งกายเวทนาจิตเนี่ยหมายถึงรู้แจ้งโลกเลยรู้แจ้งโลกแต่ยังไม่ใช่โลกธาตุนะรู้แจ้งโลก หรือรู้แจ้งทุกขในมุมของกายเวทนาจิตเนี่ยครอบคุมเขตความรู้เรื่องทุกขสัตว์ตัวเดียวทุกขสัตว์ตัวเดียวนะนะเขตคําว่าทุกขสัตว์คือรู้แจ้งโลกคําว่าโลกแบ่งเป็นสองส่วนคือโลกภายในและโลกภายนอกโลกภายในคือขันห้าโลกภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมรมนะ การศึกษากายเนี่ยถ้ามองในมุมของขันกายนี้อยู่ในหมวดของรูปรขันจิตหมวดจิตเนี่ยอยู่ในส่วนของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายและจิตเนี่ยเมื่อแจ่มแจ้งแล้วคือรู้แจ้งขันห้าเลยนะว่ามีธรรมชาติอย่างไรไม่ใช่เราอย่างไรมีโทษอย่างไรมีภัยอย่างไรเป็นสิ่งเป็นทุกข์อย่างไรการรู้แจ้งหมวดเวทนาคือการรู้แจ้ง รูปเสียงกลิ่นรสโผฏะธรมมาร ม, รมและสุขทุกทั้งหลายในโลกัน้นพอรู้แจ้งกายเวทนาจิตศึกษาจนครบหมดแล้วเนี่ยรู้ว่ามีธรรมชาติอย่างไรเนี่ยหมายถึงรู้แจ้งโลกเลยคือรู้แจ้งขันห้าด้วยรู้แจ้งกายก็คือรู้แจ้งรูปขันทะลุ ป, ปุโปรงเลยว่าทำงานอย่างไรประกอบจากอะไรมีโทษอย่างไรมีภัยอย่างไร รู้แจ้งเวทนาก็คือรู้แจ้งในมุมของสุขทุกข์ทั้งหลายในโลกซึ่งเกี่ยวพันกับกามคุณเลยรูปเสียงกลิ่นรสปัตพธรรมลมด้วยรู้แจ้งเวทนาก็กลายเป็นรู้แจ้งรูปเสียงกลิ่นรสพัตภพธรรมลมรู้แจ้งจิตก็คือรู้แจ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมในหมวดจิตตานุปัสสนามันจะมี การศึกษาจิตที่ทำหน้าที่เป็นเวทนาขันด้วยตอนศึกษาส่วนเวทนาขันตรงเนี้ไม่ได้เป็นการศึกษาอยู่ในหมวดเวทนานุปัสสนานะในมุมของการศึกษาจิตเนี่ยเขาต้องการศึกษาจิตที่ทำหน้าที่เป็นเวทนาขันว่าก่อตัวอย่างไรเกิดจากอะไรทำงานอย่างไรอันนี้คือหมวดของจิตปานุปัสสนาะดังนั้น เมื่อคนรู้แจ้งทั้งกายเวทนาจิตสามตัวก็คือเกิดยานอย่างรู้ที่รู้แจ้งขันบริสุทธิ์ทะลุปุโปร่งเลยที่รู้ว่าขันห้าเนี่ยทำงานอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นโทษอย่างไรเป็นภัยอย่างไรไม่ใช่เราอย่างไรว่างเปล่าอย่างไรเกิดดับอย่างไรและรู้แจ้งรูปเสียงกลิ่นรสปัตตพัทลมว่าเป็นสิ่งมีธรรมชาติอย่างไร เมื่อรู้แจ้งกายพัฒ น, นาจิตสามฐานกลายเป็นรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกเมื่อรู้แจ้งโลกกับเบื่อหน่ายในโลกได้ไหมหมดโลกหรือยังขันห้ากับก ร, รูปสีกลิ่รสปัตพัทธ์ธรรมลมนี้หมดโลกหรือยังมีอะไรเหลืออีกไหมเอาช้าๆขันห้าเนี่ยนะกับก ร, รูปสีกลิ่นรสปัตพัทธ์ธรรมลมเนี่ยคือหมดโลกหรือยัง แน่ใจนะหมดโลกแล้วนะรู้แจ้งขันท่ากับรู้แจ้งรูปสียงกินรสปลอดัณธรรมลมจนหมดเปลือกจนหมดความเยื่อใยในขันและรูปเสียงกินรสปลอภัณธรรมลมเนี่ยยังมีอะไรให้ต้องการอีกไหมหมดแล้วสามฐานเนี่ยเข้าถึงเขตความรู้ทุกขัสัตตัวเดียวคือรู้แจ้งขันและรูปเสียงกินรสปลอภัณธรรมลมนั้นปัญญายาณที่เกิดจากการ การทำวิปัสสนาตามศึกษาเรื่องกายเวทนาจิตจนแจ่มแจ้งเนี่ยผลิตแค่ทุกขสัตว์ตัวเดียวและทุกขสัตว์ที่ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เนี่ยเห็นชีวิตและโลกเห็นกรมคุณคทั้งหลายเป็นสิ่งมีแต่โทษภัยแก่กล้าจริงๆเนี่ยจิตจางคลายได้ไหมเมื่อคลายได้ก็หมดความต้องการได้พอรู้แจ้งทุก์โดยแก่กล้าบุคคล น, นั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ เคยหลงนั่นแหละจึงเป็นทางแห่งนิพพานอันเป็นธรรมหมดจบการรู้แจ้งกายเวทนาจิตสามฐานนี่แหละคือหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่ทำให้คนนั้นเนี่ยเข้าถึงความสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาด้วยการกำหนดรู้ทุกขอริยศสัตว์สิ่งที่ต้องศึกษาที่จะทำให้สิ้นตัณหาเนี่ยคือกำหนดเพื่อให้รู้แจ้งทุกขอริยสัตว์ พอรู้แจ้งทุกขสัตย์แล้วตันหาจะสิ้นไปเพราะรู้ชอบตันหาจะสิ้นไปเพราะรู้ชอบไม่ได้ละที่ตัวตันหาแต่ไปสร้างความรู้แจ้งเรื่องทุกขสัตย์ขึ้นมาพอรู้ว่าแจ่มแจ้งในทุกขสัตย์แล้วตันหาจะสิ้นไปนั้นในมุมเนี้ยพอบุคคลมาถึงหมวดกายเวทนาจิตได้สมบูรณ์เลยคนนั้นจะเข้าถึงความสิ้นตันหา พอสิ้นตัณหาแล้วนิพพานจะปรากฏแก่คนนั้นจิตที่สิ้นตัณหาจะเข้าถึงสภาพของจิตที่เป็นวิสังขารซึ่งจะแสดงของแสดงสภาพของนิโรธอริยสัตว์หรือนิพพานให้ปรากฏแสดงสภาพอันเป็นที่สุดการเกิดตายให้ปรากฏแก่จิตที่เพิ่งรู้ถึงความสิ้นตัณหาถ้าไม่สิ้นตัณหาจะมีนิพพานปรากฏไหม ไม่มีถ้าไม่มีนิพพานปรากฏโยมจะศึกษาเรื่องนิพพานได้ไหมไม่ได้นั้นคนที่สิ้นตัณหาเพราะรู้แจ้งทุกข์แล้วเนี่ยเขาจะเกิดการสร้างความรู้อีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่ากระทํำซึ่งวิมุตติยาณทัทสนะให้เกิดนะวิมุตติยานทัทสนะศึกษาในเขตของความหลุดพ้นตรงนี้จะมา ศึกษาเรื่องนิพพานศึกษาเรื่องกลไกลการสืบต่อของขันกลไกลของอาสวะของตัณหาของราคะโทสะโมหะว่ามีธรรมชาติอย่างไรการเกิดตายมีระบบอย่างไรการสิ้นสุดการเกิดตายมีกลไกลอย่างไรศึกษาว่านิพพานเป็นที่สุดการเกิดตายอย่างไรเป็นที่สุดทุกข์อย่างไรนั้นหมวดธรรมานุปัสสนาเนี่ย เป็นหมวดที่ไกลสุดกู่เลยเพราะอยู่ท้ายสุดการที่พระลหันต้องสร้างวิมุตติยานัทสนะให้เกิดเนี่ยหมายถึงท่านต้องกําลังเจริญปัญญาเพิ่มเติมมเพิ่มเติมหมวิมุตตนะนะิยานัทสนะนะยาทัทสนะคือตัวความรู้ในความหลุดพ้นเหล่านั้นเนี่ยเมื่อจะต้องสร้างให้เกิดหมายถึงยังต้องทำวิปัสสนาอยู่หม เขาทำไหมทำสิไม่ทําวิปัสนาแล้วจะรู้แจ้งได้หรอถึงนิพพานแล้วต้องศึกษานิพพานด้วยจึงรู้แจ้งนิพพานโดยความเป็นนิพพานถึงสิน้นถึงความสิ้นตัณหาแล้วต้องรู้แจ้งกลไกลการเกิดตายด้วยว่ามีระบบอย่างไรจึงหมดความสงสัยในความหลุดพ้นอนนี้คือการศึกษาพอมาถึงเขตเนี้ย เป็นเขตความรู้ชั้นที่บุคคลจะต้องทำการศึกษาอริยสัจ ท, ที่เหลืออีกสองตัวคือเหตุเกิดทุกข์และความดับทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือกลไกลการสืบต่อของขันว่าชาติมีชาติเพราะอะไรตัณหาทำให้มีชาติได้อย่างไร สิ้นสุดตัณหาแล้วสิ้นสุดชาติแล้วอย่างไรภาวะนิพพานแสดงให้เห็นว่ามันคือความสิ้นสุดของตัณหาอย่างไรการศึกษาต่อนิพพานและศึกษาต่อกลไกการสืบต่อของขันนี่ะจึงทำให้เกิดความรู้ที่ทำให้หมดความสงสัยในความหลุดพ้นอีกครั้งหนึง่งซึ่งในส่วนนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาในหมวดธรรมานุปัสสนา เพื่อศึกษาเรื่องกลไกลการสืบต่อของขันหรือเหตุเกิดทุกข์เราเข้าใจว่าตันหาเป็นเหตุเกิดทุกข์มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ยังไงอ่ะคำว่าเหตุเกิดทุกข์ในที่นี้คือมันเป็นเหตุเกิดชาตินตันหาเป็นเหตุที่ทําให้คนเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันทําให้คนเราเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเนี่ยพอตั้งคําถามนี้มืดไหมมืด มันเป็นเรื่องลึกซึ่งบุคคลเนี่ยถ้าไม่ศึกษาศาสนามาก่อนเนี่ยบอกว่าตันหาทำให้คนเรายังต้องมีการเวียนไหวตายเกิดอยู่เนี่ยลมองภาพไม่ออกเล้ว่าระบบมันเป็นยังไงเมื่อมองภาพไม่ออกเนี่ยคนนั้นยังจะสงสัยในการเวียนไหวได้ไหมได้อรหันต้องรู้แจ้งแทงตลอดหมดรู้แจ้งขันแล้วครบถ้วนและทานิพพานให้สาเร็จแล้วเนี่ย ท่านยังต้องศึกษาต่อศึกษาว่าเหตุเกิดทุกข์หรือเหตุเกิดชาตินั้นระบบเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นสมุทัยอริยสัจพอรู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์ก็คือรู้แจ้งตัณหานะว่าทําให้มีกลไกการเกิดตายอย่างไรสิ้นตัณหาแล้วพบชาตินั้นดับอย่างไรมองเห็นภาพเลยรู้แจ้งตัณหามันทําให้รู้แจ้งไปถึงราคะโทสะโมหะอาสวะอนุสัยอวิชชา ไม่ธรรมดาเลยนะการรู้แจ้งกลไกส่วนนี้กับการรู้ถึงความหลุดพ้นเนี่ยทำให้มีนิพพานปรากฏพอสิ้นตัณหานิพพานปรากฏจิตจะแสดงภาวะของการดับลงระงับลงของสัญญาเวทนาสังขารให้ปรากฏในภาวะที่กําลังสิ้นตัณหานั้นเลยโดยยังไม่ต้องตายเลยพอสัมผัสจิตอย่างนั้น ท่านก็ยังต้องศึกษาเจ้าตัวความดับนี้ด้วยจึงทําให้แจ้งชัดต่อตนว่าตนมาถึงที่สุดแล้วสมบูรณ์อย่างไรถึงที่สุดที่แท้จริงแล้วอย่างไรจึงเกิดการศึกษาต่ อ, อนิโรธอริยสัตว์อีกศึกษาต่อความดับที่ตนเข้าถึงไม่ใช่คนสิ้นตัณหาแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะจิตที่สิ้นตัณหาจะต้องถึงนิพพาน นิพพานอยู่ที่ความสิ้นตัณหาแล้วนิพพานเนี่ยจะแสดงกับจิตที่มีความหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อถึงนิพพานเนี่ยการศึกษานิพพานจะต้องเกิดขึ้นไม่งั้นจะเรียกว่าแทงตลอดโลกธาตุไหมไม่พอศึกษาเรื่องนิพพานนิพพานนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้เราศึกษาเลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะหานิพพานยังไม่เจอเลยใช่ไหม ไม่เจอแล้วฉันจะศึกษายังไงล่ะนะไกลแล้วอ拉หันไม่รู้เรื่องนิพพานนี้ได้ไหมไม่ไดนะ้ถึงแล้วเนี่ยไม่ใช่นิพพานมันจะมาบอกท่านว่าเออนิพพานอย่างนี้นะท่านนะอย่างงี้มันก็ไม่ใช่นิพพานมันพูดไม่ได้นะท่านถึงแล้วท่านต้องตรวจรานิพพานด้วยเทคนิควิปัสสนาอีกครั้งหนึ่ง การตรวจตราจึงทําให้เกิดความแจ่มแจ้งต่อ น, นิพพานหรือนิโรธอริยสัจหรือความสิ้นตัณหานั่นเองนะพอรู้แจ้งทั้งเหตุเกิดทุกข์รู้แจ้งทั้งความดับทุกข์หรือนิโรธอริยสัจเนี่ยครบถ้วนทําให้วิมุตติยาณทัทสนะของอรหันต์ท่านนั้นเนี่ยสมบูรณ์เลยนะหมดความสงสัยในความหลุดพ้นได้เลย รู้แจ้งทุกข์กษัตริย์จนจิตหมดความต้องการพอหมดความต้องการได้แล้วจิตจึงเข้าถึงความหลุดพ้นที่มีนิพพานเป็นอารมณ์พอถึงนิพพานเป็นอารมณนะ์ก็เลยต้องศึกษานิมวตธรรมานุปัสสนาอีกครั้งหนึ่งคือศึกษาเหตุเกิดทุกข์และเจ้านิพพานหรือภาวะอันแสดงถึงความดับสนิทลงแห่งทุกข์ว่ามีธรรมชาติอย่างไร การศึกษาสองส่วนเนี้พอรู้แจ้งครบความสงสัยในความหลุดพ้นจะเหลือไหมไม่เหลือเมื่อหลุดพ้นแล้วและหมดความสงสัยในความหลุดพ้นแล้วเนี่ยหมายถึงท่านจบกิจการปฏิบัติหรื อ, อยังอช้าๆนะหลุดพ้นได้แล้ว สิ้นตันหาได้แล้วและก็ตรวจตราศึกษากลไกการสืบต่อของขันและเรื่องนิพพานเรื่องอาสวะจนเข้าใจบริสุทธิ์เลยว่าชาติสิ้นแล้วพรมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วการเกิดอีกไม่มีแล้วนี้คือถึงจุดที่สมบูรณ์สูงสุดโดยมั่นคงไม่กำเริบแล้วเนี่ยพอมาถึงจุดอย่างนี้หมายถึงจบการปฏิบัติหรื อ, อยังจบแล้วจบแล้วนะพอไม่รู้จะทาอะไรลว หลุดพน้นก็หลุดพน้นแล้วหมดความสงสัยในความหลุดพน้นก็หมดแล้วแต่ในเนื้อตัวการศึกษาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านศึกษาให้รู้อริยสัจจริงๆแค่3ตัว 1. รู้แจ้งทุกขสั์แล้วจิตหลุดพน้นพอหลุดพน้นแล้วไปศึกษาเรื่องนิพพานหรือความดับทุกข์และก็เรื่องเหตุเกิดทุกข์ เรื่องตันหาเรื่องกลไกการเกิดตายจนรู้แจ้งนิพพานรู้แจ้งการเกิดตายว่าเป็นที่สุดแล้วจบแล้วอย่างไรเนี่ยก็เลยหมดความสงสัยในความหลุดพ้นในขณะที่มีความหลุดพ้นและหมดความสงสัยในความหลุดพ้นเนี่ยท่านศึกษาจนรู้แจ้งอริยสัจจริงๆแค่สตัวคือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ ศึกษาสาตัวเนี่ยได้มาทั้งวิมุตต์และวิมุตติยานแล้วจบแล้วมรคไปไหนอ่ะมรคต้องศึกษาไหมมรคจะเป็นสิ่งที่กลายเป็นความบริบูรณ์แจ่มแจ้งแก่คนนั้นเองโดยไม่ต้องศึกษาอย่างเช่นคนเนี่ยมาถึงจุดที่หลุดพ้นได้แล้วจนถึงจุดที่ทําให้หมดความสงสัยในความหลุดพ้นแล้วเนี่ยเขาเดินมาสุดทางหรื อ, อยัง สุดแล้วเดินมาสุดทางแล้วเนี่ยผ่านมาทุกรายละเอียดของการปฏิบัติหมดแล้วเนี่ยคนนั้นจะไม่รู้เรื่องการปฏิบัติได้ไหมไม่ได้ต้องไปนั่งศึกษาอีกไหมว่าเออวิธีทําให้ถึงนิพพานเป็นยังไงต้องไหมไม่ต้องแต่ถ้ายังมาไม่ถึงสุดทางวิมุตติญาณทัศนะยังไม่สมบูรณ์เนี่ ย, เ, ยเขตความรู้แจ้งในวิธีปฏิบัติมันจะสมบูรณ์ไหมไม่แต่พอทํางานได้จบ ปิดงานแล้วเนี่ยคนนั้นกลายเป็นคนที่รู้จริงเรื่องการทำให้สิ้นสุดทุกข์โดยแท้จริงเลยหมดความสงสัยในวิธีให้ได้มาซึ่งความสิ้นอาสวะเลยโดยต้องศึกษาเรื่องมรรคไหมไม่ต้องเพราะเดินมาจนถึงนี่แล้วจะไม่รู้ได้ไหมว่าฉันทำมายังไง ตอวิปัสนามาจนไม่รู้จะวิปัสนายังไงนะสมาธิก็ดีศีลก็ดีอารมณ์กระแสบรรยากาศผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเมื่อผ่านมาหมดก็คือแจ่มแจ้งหมดอยู่ในทีนั้นเสร็จ น, นั้นการศึกษาจริงๆในทางจะสร้างวิปัสนาให้เกิดคือศึกษาให้รู้แจ้งทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกสามตัวเนี่ย พอสามตัวแจมแจ้งแล้วจะได้วิมุตต์และวิมุตติยา น, นทัศน์จบกิจเมื่อรู้แจ้งและหลุดพ้นแล้วแล้วรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะได้ความรู้แท้ไมห่หนึ่งตัวคือรู้แจ้งมักใช่ไหมมักต้องไปศึกษาอีกไหมไม่ต้องเดินมาสุดทางแล้วรู้ว่าผ่านอะไรมาบ้าง <นะ S 1> เหมือนคนไม่เคยทําสมาธิได้วันหนึ่ง ทำสมาธิได้สำเร็จเนี่ยออกจากสมาธิมาโยมยังจำได้ไหมว่าโยมนั่งยังไงโยมวางอารมณ์ยังไงจำได้ไหมจำได้นั้นเมื่อเดินไปจนถึงสุดทางได้แล้วเนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องวิธีการเดินอีกไหมไม่ต้องแล้วนั้นในวันเวลาที่บุคคลเนี่ยทำการศึกษาจนรู้แจ้งกายเวทนาจิตสามฐานเน ก็หมายถึงรู้แจ้งทุกขัสัตต์ตัวเดียวและในเขตคำว่าทุกขัสัตต์ตัวเดียวเนี่ยคือขอบเขตความรู้เรื่องขันและรูปเสียงกลิ่นรสผลพะธรรมลมหมดโลกหรือยังหมดโลกแล้วแต่ยังไม่หมดโลกธาตุพอถึงจุดรู้แจ้งโลกเบื่อหน่ายในโลกก็หลุดพ้นจากโลกเขาถึงความสิ้นตัญหา พอถึงจุดที่สิ้นตัณหาจึงทําให้จิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้พอมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้คนนั้นไม่เคยเจอนิพพานมาก่อนเลยเนี่ยทันทีที่นิพพานปรากฏเนี่ยถ้าบุคคล น, นั้นไม่เคยศึกษาเรื่องนิพพานมาก่อนจากสํานักพระพุทธเจ้าไม่เคยศึกษาเรื่องกลไกการสืบต่อของขันมาก่อนจากสํานักพระพุทธเจ้าเนี่ย ทันทีที่หลุดพ้นเพราะความสิ้นตัณหาและมีจิตกลายเป็นวิสังขารแล้วเนี่ยจิตหยุดปลุงจิตเป็นอนารมณ์หรือจิตเนี่ยสามารถส่งภาวะที่ดับสัญญาเวทนาเจตนาผัสัมมานสิการได้เนี่ยคนนั้นก็จะยังมีบรรยากาศที่พร้อมจะสงสัยในความหลุดพน้นแต่หลุดพ้นแล้วนะบนความสงสัยเนี่ย มันยังเกลือกลัวกับความรู้สึกที่มั่นใจในความหลุดพ้นแต่บนความมั่นใจเหมือนยังมีสิ่งที่ชวนแตงหนิดแ ต, ตงหนิดให้สงสัยในความหลุดพ้นถ้ายังไม่รู้จัก น, นิพานะเพราะว่าพอคนหลุดพ้นแล้วเนี่ยเมื่อถอยคลายจากภาะวะการดำรงอยู่ตามปกติความคิดความรู้สึกนิสัยทุกอย่างจะคืนกลับเหมือนเป็นคนเดิมนะส่วนหนึ่งเหมือนเป็นคนเดิม สิ่งที่เหมือนเป็นคนเดิมเหมือนกิเลสตัวเดิมยังมีเนี่ยมันก่อกวนให้สงสัยในเรื่องราวของอาสวะดังนั้นบุคคลพวกนี้หลอกตัวเองไม่ได้ว่าถ้าไม่มีวิมุตติญาณความหลุดพ้นนั้นจะยังไม่สมบูรณ์จิตจะต้องทำการศึกษาต่อ น, นิพพานศึกษาต่ออาสวะจนสามารถแยกขันบริสุทธิ์ออกจากอาการของกิเลส กิเลสที่มาจากราคะโทสะโมหะกิเลสที่เป็นแต่เพียงอาการเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงต้องย้อนยกลับมาศึกษาในส่วนของตัวความรู้ถ้าคนศึกษามาจากสัปนักพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบางคนรู้แจ้งทุกเบื่อหน่ายในทุกหลุดพ้นปั๊บเนี่ยวิมุตติญาณเกิดต่อเนื่องในระยะถัดมาเลยเพราะเคยฟังเรื่องนิพพานมาแล้วพอถึงปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อนี่ถึงแล้วแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องนิพพานมาก่อนเนี่ย ไม่มีข้อมูลเรื่องนั้นเลยพอหลุดพ้นแล้วคนนั้นจะแช่อยู่ด้วยมีนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดเวลานาทีแต่จะยังไม่มีความเข้าใจเรื่องนิพพานและเรื่องอาสวะเพราะตอนศึกษาเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโป ร, ปรพัทธรูปเสียงกลิ่นรสโปรพัทธ์ธรรมลมเนี่ยศึกษาเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิรศึกษาเรื่องนี้จะทาให้รู้จักตัณหาได้ไม ได้ไหมไม่ได้ศึกษารูปเสียงกลิ่นรสปัตภธรรมลมก็คือรู้จักรูปเสียงกลิ่นรสปัตภธรรมลมศึกษารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะไม่รู้จักตัณหาถูกไหมหมวดธรรมานุปัสสนาเนี่ยคือเรื่องราวของตัณหาอุ ป, ปาทานภพชาติ อาสวะอนุสัสราคะโทสะโมหะวิชารู้จักธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าโยมจะขึ้นเชื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์หมายถึงยังเรายังจะมีความไม่รู้เรื่องอาสวะได้ไหมมีความไม่รู้เรื่องตัณหาได้ไหมไม่ได้ไม่งั้นจะเรียกว่าหมดความสงสัยได้ไหมไม่ได้ นั้นคำว่ารู้แจ้งสมบูรณ์เนี่ยคำว่าเหตุเกิดทุกข์นี่เป็นเรื่องละเอียดละเอียดมากละเอียดกว่าการศึกษาเรื่องจิตดิบนะเพื่อให้รู้จักหน้าตาตัณหาหน้าตาอุปทานหน้าตาพบหน้าตาราคะโทสะโมหะหน้าตาอาวิชชาหน้าตาอนุสัยเนี่ยและกลไกลการเวียนว่ายใจเกิดว่าระบบมันเป็นอย่างไรเนี่ยการศึกษาส่วนนี้คือเหตุเกิดทุกข์ทำให้พุทธเจ้า มองไปถึงโลกของวิถีการเวียนว่ายตายเกิดที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติด้วยรู้แจ้งกายเวทนาจิตเนี่ยคือรู้แจ้งโลกคือระบบชีวิตและรูปสิ่งของรูปปัฏฐพัฒมลมรู้แจ้งเหตุเกิดทุกเนี่ยทำให้รู้แจ้งวัฏตะสงสารว่ามันมีซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตคนสัตว์ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยกลไกอย่างไร รู้แจ้งนิพพานทำให้รู้แจ้งว่ามีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นไปจากนามและรูปและนั่นละ่ะคืออมะตะธรรมดังนั้นการแทงตลอดทั้งระบบธรรมชาติของชีวิตและรูปเสียงกิดลดผลทพันธรรมลมแทงตลอดวิถีวัฏะสงสารที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติแทงตลอดนิพพานซึ่งเป็นอสังขตธรรมหรือ เป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากการเกิดตายพ้นไปจากนามรูปว่าเป็นอย่างไรเนี่ยและรู้วิธีว่าทําอย่างไรให้ถึงนิพพานได้เนี่ยความรู้สีเรื่องเนี่ยพอแจมแจ้งแล้วหมายถึงท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเครื่องตรัสรู้สมบูรณ์เลยปัญญาเครื่องตรัสรู้ในระดับนี้คือแทงตลอดโลกธาตุเลยไม่ใช่โลกมนุษย์นะ โลกธาตุใช่โลกธาตุไหมไม่แน่ใจโลกธาตุก็คือถ้าโลกมนุษย์หรือชีวิตเราก็คือแค่ขันและรูปสิ่งกิโลสปัตตวัธรรมลมวัตตาสงสารเนี่ยอยู่ในโลกธาตุนิพพานอยู่ในโลกธาตุแทงตลอดโลกธาตุความรู้ระดับนี้จัดเป็นตัวปัญญาเครื่องตรัสรู้ ที่พอรู้ถึงความสมบูรณ์ของความรู้อันนี้แล้วเนี่ยยังเหลืออะไรให้ศึกษาอีกไหมไม่เหลือพอไม่เหลือสิ่งที่จะศึกษาภาวะนั้นจึงเรียกว่าปัญญาสมบูรณ์ถูกไหมถ้ายังเหลือสิ่งที่ต้องศึกษาหมายถึงปัญญาสมบูรณ์หรือยังยัง เ, ยเวลาพระพุทธเจ้ารู้แจ้งอริยสัจฉันจึงเปล่งทานว่าวิชาปัญญาแสงสว่างจักสุป ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เพิ่งได้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือวิธีให้ได้มาซึ่งความดับทุกข์นั้นอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยจะสมบูรณ์ทั้ง4ี่ประการก็ต่อเมื่อการกระทาสติปัฏฐานสี่นั้นมาถูกทาง ศึกษาจนรู้แจ้งกายเวทนาจิตสามฐานเนี่ยทำให้เกิดการรู้ถึงความรู้แจ้งทุกขสัตว์รู้แจ้งทุกขสัต์ตัวเดียวและรู้แจ้งโลกแล้วพอรู้แจ้งทุกเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกได้ไหมได้พอเบื่อหน่ายก็จางคายแล้วหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงถึงนิพพานถึงจิตที่แสดงความเป็นจิตที่หลุดพ้น จิตที่เป็นวิสังขารเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากจิตสามัญ น, นะนี่คือจิตที่เป็นวิสังขารนะถึงนิพพานเป็นอารมณ์พอถึงนิพพานแล้วการศึกษาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการศึกษาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้อยู่ในหมวดธรรมานุปัสสนานะศึกษาเหตุเกิดทุกข์ศึกษาความดับทุกขนะ์ศึกษากายเวทนาจิตเนี่ยคือได้ทุกขสัตวตัวหลุดพ้นได้ไหม ได้พอหลุดพ้นแล้วศึกษาอีกครั้งหนึ่งการศึกษาอีกครั้งเรียกสร้างวิมุตติญาณตัทสนะให้เกิดนั่นคือการศึกษาหเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์พอรู้แจ้งทุกข์เหตุกิดทุกข์ความดับทุกข์สิ่งที่เกิดกับท่านคือความหลุดพ้นและความรู้ทั่วถึงในความหลุดพ้นถูกไหมรู้แจ้งทุกข์เหตุกิดทุกข์ความดับทุกขนะ์เนี่ย ทำให้ท่านเกิดทั้งวิมุตต์และวิมุตติยาณทัศนะครบแล้วเมื่อครบแล้วแต่การศึกษาอริยสัจเนี่ยเพิ่งศึกษาได้3ตัวเองทุกเหตุกระทุกความดับทุกศึกษาอริยสัจสามตัวพอครบสตัวแจ่มแจ้ ง, จงทั้ง3ตัว3ประการเกิดทั้งวิมุตต์และวิมุตติยานแล้วเนี่ยตรงนั้นอริยสัจ ต, ตัวที่4ี่คือมรร สมบูรณ์ขึ้นในตนท่านไหมสมบูรณ์เป็นของแถมต้องศึกษาไหมไม่ต้องคนใดก็ตามจะชื่อว่าแจ่มแจ้งในวิธีที่ทำให้ถึงที่สุดทุกได้หมายถึงคนนั้นต้องทำมันได้สำเร็จแล้วเท่านั้นถ้ายมกระทำอะไรก็ตามถ้ายังไม่สำเร็จเนี่ยโยมจะเรียกว่ารู้แจ้งมันได้ไหมไม่ได้จะชื่อว่ารู้แจ้งมัก เมื่อมีวิมุตติญาณทัศนะสำเร็จแล้วใช่ไหมพอมีวิมุตติญาณทัศนะก็คือจบกิจการกระทำวิปัสสนาแล้วไม่เหลืออะไรให้ศึกษาแล้วเมื่อไม่เหลืออะไรให้ศึกษานั้นหมายถึงความรู้แจ้งนั้นสมบูรณ์หมดแล้วความรู้แจ้งที่สมบูรณ์หมดแล้วก็ก่อรูปออกมาเป็นความรู้เรื่องอะไร เรื่องอะไรหนออริยสัจอริยสัจถ้าวิปัสสนาไม่ผลิตความรู้อริยสัจที่เกิดขึ้นเนี่ยวิปัสสนาอันนั้นเนี่ยจะทําให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้แทงตลอดโลกธาตุได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้จะเบื่อหน่ายในโลกได้ไหมไม่ได้คนจะเบื่อโลกวางโลกได้หมดหรือหลุดพ้นจากโลกเนี่ยต้องรู้แจ้งโลกเท่านั้น รู้แจ้งร่างกายอย่างเดียวเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งโลกไหมไม่พอดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่วางสติปัฏฐานไว้แค่มวดกายแต่กายก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องศึกษาให้รู้แจ้งนั้นเขตที่บุคคลเนี่ยพอมาฟังอริยสัจสี่พระพุทธเจ้านะที่ตรงหน้าแล้วรู้แจ้งแทงตลอดหมดเลยเนี่ยคนที่ขึ้นชื่อว่ารู้แจ้งอริยสัจ ท, ทั้งสี่ครบ สประการเนี่ยหมายถึงคนนั้นเนี่ยมีทั้งวิมุติและวิมุตติยานอยู่ในทีนั้นด้วยนะถูกไหมคนไหนรู้อริยสัจหมายถึงคนนั้นมีทั้งวิมุติและวิมุตติยานอยู่ในทีนั้นด้วยไม่ธรรมดานะดังนั้นใครที่ต้องการให้เกิดความรู้แจ้งอริยสัจจะไม่ศึกษาตามแนวของสติปัฏฐานสี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไ ศึกษากายเวทนาจิตเพื่อให้รู้แจ้งโลกและหลุดพ้นได้เลยนั้นคือเห็นทุกข์ศึกษาเหตุเกิดทุกข์จนรู้แจ้งกลไกของการสืบต่อของขันธ์การเวียนว่ายแา่เกิดและศึกษาเรื่องนิพพานก็ทำให้เกิดวิมุตติญาณนะทัศนะนั้นจบงั้นเมื่อใดก็ตามบุคคลต้องการจะหลุดพ้น จากราคาโทสะโมหะหรือตัญหาเนี่ยคนนั้นจะต้องหลุดพ้นเพราะรู้ชอบคำว่ารู้ชอบคือรู้เรื่องอะไรอริยสัจการจะรู้อริยสัจ ท, ที่สมบูรณ์หมายถึงจะต้องมีการกระทํามวิปัสนาเพื่อผลิตความรู้นั้นขึ้นมาการกระทธาวิปัสนาคือระบบผลิตความรู้นะไม่ใช่ระบบละกิเลสนะไม่ใช่ระบบละแต่เมื่อความรู้แท้จริงเกิดขึ้นการจางคลายจก เป็นเองเพราะรู้ชอบไม่ใช่ตอ้องรักจิตคลายเองนั้นคาว่าวิปัสนาที่แท้จริงนั่นหมายาถึงการสร้างความรู้เรื่องอริยสัจให้เกิดและความรู้อริยสัจจะเกิดต้องศึกษาต่อกายเวทนาจิตธรรมถ้าศึกษาแกถ้าศึกษากายเวทนาจิตไม่ศึกษาหมดธรรมความรู้จะเต็มไหม ไม่เต็มไม่สมบูรณ์นะที่สุดแล้วคําว่าหลุดพ้นสมบูรณ์หรือปัญญาสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสติปัฏฐานสี่มันทำไมสมบูรณ์คาว่าสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่ารู้แจ้งครบทั้งสี่เรื่องแล้วพอรู้แจ้งครบทั้งกายเวทนาจิตธรรมแล้วเนี่ยต้องศึกษาต่อไหมไม่ต้องเท่ากับว่าการทาวิปัสสนานั้นจบลง เพราะศึกษาจนรู้แจ้งครบทั้งสี่เรื่องแล้วเมื่อรู้แจ้งครบทั้งสี่เรื่องความรู้มันหายไปจากตัวเรามะ ไ, ไม่หายไม่หายเลยอะไรมากระทบก็เออไม่ใช่เราเออไม่เที่ยงไม่ต้องเลยมันมันกลายเป็นมีขึ้นเป็นขึ้นในตนเลยเป็นอัตโนมัติเลยนั้นเขตการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยมุ่งหมายเดียวคือผลิต เจ้าตัวปัญญาเครื่องตรัสรู้ให้เกิดถ้าสติปัฏฐาน4ี่ที่แท้จริงมันจะต้องเป็นการกระทาวิปัสนาและการกระทาวิปัสนาก็บอกอยู่แล้วว่าทําเพื่อเจริญปัญญามีไหมวิปัสนาเป็นเรื่องอย่างอื่นไม่มีอยากจเจริญปัญญาก็คือไปกระทาวิปัสนานะและเจ้าปัญญาที่แท้จริงจะมีผลต่อเนื่องเองคือทาให้เกิดความ เบื่อน่ายจางคลายหลุดพ้นดังนั้นสติปัฏฐานสี่สามารถเกิดขึ้นได้แม้ขณะฟังธรรมมไหมพอเมื่อใดฟังธรรมแล้วรู้อริยสัจสี่ครบหมดเลยเนี่ยรู้แจ้งทุกแจ่มแจ้งเลยเนี่ยหมายถึงว่ารู้แจ้งทั้งขันรู้แจ้งทั้งรูปสิ่งกิริยบุตรพระธรรมลมไหมรู้พระเจ้าเทศเรื่องขันไปเลยเนะี่ยเทศเรื่องขันเสร็จเทศเรื่องโทษภัยของขันเทศเรื่องโทษภัยของรูปสิ่งกิริยบุตพะธรรมลมเนี่ย ฟังตามรู้แจ้งขันตามได้ไหมรู้แจ้งขันตามรู้แจ้งว่าโลกไม่มีแก่นสารตามได้ไหมได้แล้วไปเห็นตามแล้วเบื่อหน่ายนิทุกเลยได้ไหมได้หลุดพ้นได้ไหมได้นะ่ะรู้แจ้งทุกขสัตว์ลวตรงรู้แจ้งทุกขสัตว์นั้นกายเวทนาจิตครบหมดแล้วจากการฟังธรรมเนี่ยไม่ต้องศึกษาเรื่องกายเวทนาจิตละรู้แจ้งแล้วพอหลุดพ้นแล้วมีนิพพานปรากฏพุทเจ้าชี้เห็นว่านั่นคือนิพพานเมื่อหลุดแพล เมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่านี้คือหลุดพ้นแล้วพาตรวจตราความหลุดพ้นพาตรวจตาให้รู้ว่านี่คือสิ้นสุดการเกิดแล้วอย่างไรจริงๆสิ่งที่ตกทอดมาในเราเนี่ยวิมุตติยานมันสั้นมากแต่การเทศจริงๆพระเจ้าได้อธิบายกลไกลการเกิดตายด้วยในเนื้อหาเนี่ยจนเห็นตาว่าเกิดตายเป็นยังไงเห็นว่าอ๋อนี่คือจุดที่สิ้นสุดเกิดแล้วอย่างไร ฟังแล้วรู้แจ้งทั้งทุก ح, เหตุเกิดทุก ح, ความดับทุก ح. เกิดทั้งความหลุดพ้นและรู้ถึงความหลุดพ้นนั้นที่ตรงนั้นเลยเนี่ยมักสมบูรณ์ไหมต้องศึกษาเรื่องมักไหมไม่ต้องแล้วจบเท่ากับว่าเมื่ออริยสัจสี่สมบูรณ์ในขณะฟังสติปัฏฐานสี่เต็มไหมเต็มโดยไม่ได้ไปเจริญสติปัฏฐานสี่ขนั่งฟังอย่างเดียว นั้นคาว่าสติปฐานสี่พอได้ยินคาว่าสติปทานโยมจะเขวคิดว่าต้องไปเจริญสติสัมจัญญะเพื่อละตัวรู้ละตัวคิดละกิเลสละอะไรเพื่อละนี่คือเจริญเพื่อละขันขันพระเจ้าไม่ได้ให้ละท่านให้ละตัณหาไปดูที่มีให้ละขันไหมไม่มีแต่ให้ละตัณหากิจนะของการปฏิบัติไปศึกษาให้รู้แจ้งขันหา้าเถอะ พอรู้แจ้งแล้วก็จะหมดความต้องการทุกสิ่งในโลกเองนตันหานี่พอรู้แจ้งให้ดีเอาหมขันทเนี่ยพอรู้แจ้งให้ดีเนี่ยจะเบื่อหน่ายในขันเบื่อหน่ายในโลกเบื่อหน่ายก็คลายความต้องการพอสิ้นความต้องการได้สำเร็จจิตนั้นจะแสดงการดับสนิทลงของขันทั้ง5้าให้ปรากฏ นึแล้วจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ขันห่าจะดับสนิทได้ด้วยการดับที่ตัณหาไม่ใช่ดับที่ตัวขันห่าอันนี้คือคกลไกของมันนะนั้นมีไหมพระเจ้าบอกให้ดับขันห่าไม่มีมีแต่ให้ศึกษาให้รู้แจ้งให้รู้แจ้งต่อเจ้าอุปาทานขันนะสิ่งที่บุคคลควรอบรม เพื่อให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดปัญญารอบรู้อันยิ่งก็คืออุปทานขันห้าทำให้เกิดความรอบรู้ก็คือขันทั้งห้าสิ่งที่บุคคลควรละด้วยปัญญาอันยิ่งคืออวิชชาและตัณหาสิ่งที่บุคคลควรกระทําให้เจริญรด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถาวิปัสนาสิ่งที่บุคคลควรกำหนดรู้เพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคือขันทั้งห้า สิ่งที่บุคคลควรละด้วยปัญญาอันยิ่งคืออวิชชาและตันหาไม่ใช่ละที่ขันสิ่งที่บุคคลควรทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนาพอวิปัสนาสมถะเจริญปัญญาแจ่มแจ้งในขันห้าก็จะเกิดพอปัญญาแจ่มแจ้งในขันห้าเกิดตันหาก็สิ้ น, เ, นเกิดการละเองดังนั้น ขณะที่โยมกำลังฟังอยู่เนี่ยใช้เจริญสติปัฏฐานสี่ไหมเจริญเจริญเจริญเพื่อให้รู้ว่ามัชนั้นเป็นอย่างไรนะการศึกษาเรื่องมัช ก, ก็อยู่ในหมวดธรรมานุปัสสนาเหมือนกันความรู้เรื่องมัชมีสองระดับหนึ่งในระดับศึกษาเพื่อให้รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร และสามารถปฏิบัติไปบนวิธีที่ถูกต้องนั้นโดยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในวิธีการอันนี้ต้องศึกษาเรื่องมรรคก่อนนี้คือธรรมานุปัสสนามาก่อนได้เลยนะกับเกิดความแจ่มแจ้งหมดความสงสัยในวิธีที่ทำให้รู้ถึงความดับทุกข์โดยแท้จริงเนี่ยก็คือเมื่อมีวิมุตติญาณทัศน์สำเร็จ การรู้เรื่องมัศกับการรู้แจ้งมัศกเนี่ยตัวเดียวกันไหมเอาใหม่รู้เรื่องมัศกับรู้แจ้งมัศกเนี่ยตัวเดียวกันไหมอารมณ์เดียวกันไหมไม่ใช่รู้ว่าไปทางเนี้ยแต่รู้ไหมว่าข้างหน้าจะเจออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้รู้ว่าเนี้ยทางเนี้ยไปทางเนี้ยถึงนิพพานอยู่ทางเนี้ยเราจะต้องไปทางเนี้ยเราจะต้องเดินแบบนี้นั่นแหละ แต่พอข้างหน้าไปเจอภูเขาอาจจะต้องทําอีกแบบหนึ่งข้างหน้าไปเจอน้ําขวางอยู่อาจต้องไปอีกแบบหนึ่งข้างหน้าไปเจออะไรมาเกาะกวนอาจจะต้องไปอีกแบบหนึ่งเบื้องต้นรู้ว่าไปทางเนี้ยรู้ต้องเดินอย่างเนี้ยนี่คือรู้จักมั้งรู้จักทางแต่รู้ไหมว่าต้องเจออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เมื่อไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างเนี่ยจะเรียกว่ารู้แจ้งในตลอดเส้นทางในทุกรายละเอียดของการเดินไหม คำว่ารู้แจ้งมักเนะี่ยหมายถึงคนมาถึงฝั่งแล้วพอมาถึงฝั่งเขาเห็นมาตลอดเลยตลอดเส้นทางการปฏิบัติเขาผ่านอะไรบ้างเจริญสมถะเขาเจออะไรมาบ้างเจริญวิปัสนาเขาเจออะไรมาบ้า ง, ง, ษษาาออางพอเจออย่างเนี้ยเขาต้องทำยังไงพอเจออย่างเนี้ยต้องทำอะไรอย่างนี้เราก็รู้แจ้งมักนะดังนั้นเขตคำว่ารู้แจ้งมักแท้จิงจะมีกับคนที่จบแล้ว เกิดคำว่ารู้จักทางปฏิบัติเนี่ยเกิดได้กับบุคคลเบื้องต้นที่กำลังศึกษาขณะที่ฟังเรื่องมรกเนี่ยนี่อาจารย์เทศสติปัฐานนี่กำลังวาดแผนที่ให้ดูนะนี่คือแผนที่วิธีที่ทำให้สิ้นอาสวะนี่คือวิธีการว่าระบบเขาเป็นอย่างนี้อย่างี้ถ้าสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์อริยสัจเกิดอริยสัจเกิดจิตจะเบื่อหน่ายจางคายแล้วหลุดพ้น กลไกเป็นยังไงนี้คือแผนที่การวาดแผนที่การปฏิบัติเนี่ยความรู้ที่กําลังพูดอยู่เนี่ยคือเขตความรู้ในหมวดธรรมานุปัสสนาเมื่อโยมฟังอยู่ตรงนั้นกําลังศึกษาในหมวดธรรมานุปัสสนาไหมศึกษาศึกษาอยู่นะฟังแล้วเข้าใจเลยหนะ้าที่ฟังเนี่ยเท่ากับมีความแจ่มแจ้งในหมวดธรรมานุปัสสนาขึ้นไหมในใจขึ้นแต่แจ่มแจ้งหมดหรือยังยัง ก็ต้องศึกษาต่อศึกษาต่อจนกว่าความรู้แจ้งจะครบทั้งกายเวทนาจิตธรรมรู้แจ้งครบหมดก็แทงตลอดโลกธาตุไม่เหลืออะไรต้องศึกษานั้นการเจริญปัญญาหรือการสร้างญาณทัศนะชั้นอริยสัตว์ที่เกิดเนี่ยกับการเจริญสติสัมปชัญญะเนี่ยมันอันเดียวกันไหมเอาไหม ริ่การผลิตเจ้าตัวปัญญาให้เกิดกับการเจริญสติให้เกิดเนี่ยตัวเดียวกันไหมนี่ให้นะแน่ใจนะแน่ใจเพราะในขณะที่เรากำลังเจริญปัญญาโยมจะไม่คิดว่าเจริญสติหรอกแล้วในขณะที่กำลังเจริญปัญญาโยมไม่คิดว่ากาลังละกิเลสหรอกอย่างเช่นโยมเนี่ยอยากจะ เ, เลือกอะไรสักสองสิ่ง มีอยู่สองสิ่งอยากจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอยากจะทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ตัดสินใจไม่ได้เพราะชอบทั้งสองอันเลยนะทำยังไงชอบทั้งสองอันทีนี้จะตัดสินใจได้โยมจะทำยังไงโยมไปพิจารณาว่าอันไหนดีกว่ากันถูกไหมนพอไปพิจารณาว่าอันไหนดีกว่ากันพบคำตอบว่าไอเนี่ยมันแย่กว่าพอพบว่าแย่กว่าโยมวางมันได้ไม วางแล้วจบไหมจบแต่ถ้ายังไม่รู้ว่ามันแยกกว่ากันเนี่ยมันยังสงสัยกวนอยู่ตลอดไหมเออเอามันทั้งสองอย่างเลยทีนี้ดันไปค้นควาาว่ามันแย่ทั้งคู่ขึ้นม่ปรากฏว่าอยากได้ไมต้องละความอยากไหมไม่ต้องการละที่แท้จริงต้องจิตมันเต็มใจที่จะวางเองเพราะรู้ชอบไม่ใช่ไปรู้ทันแล้วละรู้ทันแล้วละมันไม่หมดหรอก และมันไม่เย็นด้วยและมันไม่ใช้หลักการตามพระไตริดกไปเปิดพระไตรปิฎกได้เลยหลุดพ้นเพราะรู้ชอบอุปทานทั้งสีสิ้นไปเพราะรู้ชอบรู้ชอบรู้อะไรอริยสัจ ร, รู้อริยสัจขึ้นมานะโดยไม่เกิดการสร้างความรู้ให้เกิดได้ไหมไม่ได้อยู่ดีอริยสัจโผล่เองไหมไม่ได้ การสร้างความรู้นี้ละเอียดด้วย1ต้องศึกษากายเวทนาจิตทําให้แจ่มแจ้งครบทั้ง4ี่เรื่องและเทคนิคที่เอามาสร้างความรู้นี้อีกต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องด้วยเพื่อเจ้าบอกเทคนิคที่ถูกต้องไว้7ประการเรียโพชง7ประการเทคนิค7ประการนี้เมื่อสมบูรณ์ดีแล้วใช้เทคนิคทั้ง7เนี่ยมากระทําต่อกายเวทนาจิตธรรม จนเกิดความรู้แจ้งต่อกายเวทนาจิตธรรมใช้เทคนิค7ประการคือสติธรรมพุทิยัคยุริยปิติปัสส ธ, ธิสมาธิเวคขะทันไหมไม่ทันไม่ทันเพราะไม่อยากเทศเรื่องนี้เดี๋ยวยาวทีนี้เจ้าเทคนิค7ประการเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของเทคนิควิธีในการใช้ศึกษาต่อเจ้ากายเวทนาจิตธรรมสี่เรื่อง ให้เกิดความรู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมขึ้นมาถ้าองค์ประกอบเจ็ดประการนี้ไม่บริบูรณ์เท่ากับพลังที่จะใช้ในการจะศึกษาตอกตายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันไม่มีพลังมันไม่มีประสิทธิภาพความแจ่มแจ้งไม่เกิดนะกายเวทนาจิตธรรมเรียกอีกในหนึ่งคืออารมณ์ของวิปัสนาอารมณ์ของวิปัสนาหมายถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการศึกษา ถ้ยอมาศึกษาต่อกายกายคืออารมณ์ของวิปัสนาศึกษาต่อเวทนาเวทนาคืออารมณ์ของวิปัสนาศึกษาจิตจิตคืออารมณ์ของวิปัสนาศึกษาธรรมธรรมคืออารมณ์ของวิปัสนาวิปัสนาแท้ๆมันจะต้องมีอารมณ์ของวิปัสนาที่ต้องคือของแท้ชนิดที่ว่าถ้าศึกษาแล้ว ความรู้แจ่มแจ้งในสิ่งที่ศึกษามันผลิตอริยสัตว์ที่แท้จริงขึ้นได้แต่ถ้าไปศึกษาเรื่องอื่นล่ะไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมสิ่งเหล่านั้นจะผลิตอริยสัตว์ได้ไหมไม่ได้สติปัฏฐานสี่มันจึงเป็นทางสายตรงเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวไปศึกษาเรื่องอื่นไม่ได้เลยไม่มีเรื่องใดในโลกที่ศึกษาแล้วผลิตอริยสัตว์ขึ้นมา และไม่มีความหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นโดยไม่รู้แจ้งอริยสัจมันเป็นการล็อกบังคับเลยนะที่สุดต้องศึกษาต่อกายเวทนาจิตธรรมแล้วการศึกษาให้รู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาเป็นเรื่องละเอียดเลยละ่ะนะต้องมีเทคนิคและเทคนิคนั้นก็คือโพชงเจ็ดประการซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิด ปัญญาเคลื่องตรัสรูโพชมเจ็นะแปะไว้ก่อนนะท mm ่านผ้ต้องติดตามตอนต่อไปนะจ mm hmm. บสติปัฏฐานพ่อนะ mm hmm. เดี๋ยวที่เหลือโยมเบรกแล้วก็ถามตอบนิดหน่อย mm hmm. ถามไปปลางก็ได้นะครับก็ได้ยินนะร mm ับ hmm. ดงนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามพระอาจารย์ท่านแรกนะครับปฏิจจสมุปบาทเป็นส่วนหนึ่งของธรรมมารมณ์ใช่หรือไม่เจ้าค่ะปฏิจจสมุปบาทคือตัวความรู้เรื่องเหตุทุกข์หรือเหตุเกิดชาติเป็นการขยายรายละเอียดของเหตุเกิดทุกข์ในระดับที่ครบสมบูรณ์ เหตุเกิดทุกสายยาวแล้วก็บนความเข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกเนี่ยก็จะทาให้รู้ว่าการดับสนิทลงของทุกเนี่ยกลไกลเป็นอย่างไรอันนี้คือหงส์โซปฏิเป็นตัวความรู้ชั้นญานณทัศนะหรือเขตความรู้ชั้นเหตุเกิดทุกหรือเหตุเกิดชาติธรรมะใช่ธรรมมาร ม, มัยปฏิจจสบาทคือตัวความรู้ ตัวความรู้เมื่อใด ก, ก็ตามเราเอาเจ้าตัวความรู้เนี่ยเราเพ่งพิจารณาเพื่อเกิดความรู้แล้วความรู้ที่คงค้างอยู่ในใจเมื่อค้างอยู่ในใจอยู่ในรูปความจํา ค, ความจำเนี่ยคือธรรมารมจําเรื่องอะไรอยู่ในรูปความรู้สึกก็เล็กธรรมารมณ์หรือกําลังคิดอยู่ความคิดทั้งหลายในภายในก็คือธรรมารมณ์ กระแสความรู้สึกต่างๆเนี่ยคือธรรมารมณ์นี่คือหน้าตาของคำว่าธรรมารมณ์คือสิ่งที่สะท้อนเป็นอารมณ์ที่อยู่ในรูปของสัญญาเวทนาสังขารในภายในเนี่ยแต่ของโัวปฏิกเป็นระบบกลไกของตัวความรู้รหรือตัวยานทัศนะที่แสดงถึงเหตุเกิดชาติรหรือการเกิดตายนะ เดี๋ยวเอาซีดีไปฟังดีกว่าง่ายดีครับคาถามต่านต่อไปครับพระสูมนุษย์มัมีอาการหาวทาั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเพราะอะไรคะบางคนเข้าใจว่าตนเองสามารถสื่อกับพระพุทธเจ้าได้ใช่หรือไม่โจา ค, คะพระเจ้าท่านคงดูเอาทนะ่นส่วนแล้วหาวนะจริง อหาวเหรอโดยมากเขาชอบบอกองค์จะลงอะนะพวกหาวสวดแล้วหาวแสดงว่าอืกระแสการสวดของเรามันไม่ใส่พอนการสวดสวดมนต์เยอะเนี่ยถ้าสวดได้ยาวสแสดงว่ายังไม่เย็นนะถ้าเย็นแล้วสวดยาวไม่ได้มันเหนื่อยใจจะขาดนถ้าสวดแล้วเริ่มนิ่งเนี่ยการสวดแล้วมันเหนื่อยมากเหมือนกับ เข็นคบขึ้นภูเขาเลยล่ะ mm hmm. แต่ถ้าสวดแล้วยังไปได้เรื่อยๆเพลินๆน่นนะมันยังไม่ลึกมาก mm hmm. มันไปเพลินไปเรื่อยทีนี้การสวดมนต์ด้วยอารมณ์ที่เชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งในการสวดอย่างเยอะๆสวดด้วยความอดทนนะ่ะการสวดอย่างนั้นมันไม่ได้โปร่งแต่เป็นการสวดที่ ทูทาด้วยความศรัทธาแล้วก็ฝืนการกระทาทำด้วยความตบะทำด้วยตบะเมื่อใช้การกระทาด้วยตบะเนะี่ยใช้แรงพลังในการมุ่งทรมุ่งทำมุ่งทำเนี่ยกระแสของกายจะอ่อนกระแสของจิตจะเบามันพร้อมส่งกิริยาของความรู้สึกที่จะนำพาการหาวได้เพราะมันเป็นการขืนขืนขืนขืนขืนขืน แต่ถ้าสวดด้วยอารมณ์ใส่อ่อนโยนสงบสวดยาวไม่ได้หรอกเพราะสวดแล้วมันจะนิ่งพอนิ่งแล้วไม่อยากสวดนะสวดยาวไม่ได้และก็ถ้าใครยิ่งสวดชา้าช้าสวดช้าช้าแล้วนิ่งนิ่งจริงๆอ่ะก็จะสวดยาวไม่ได้แต่ถ้าสวดไปได้เรื่อยๆไม่สนใจความรู้สึกท้องท้องท้อท้องท้องอท้องทอมันไม่เยน็นมันได้ก่อนรู้สึกไม่เยน็นแต่ว่า ทำใเกิดความรู้สึกว่าเราได้อยู่กับการสวดมนต์เกิดความมั่นใจเกิดกาลังใจเกิดความรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆได้ทำสิ่งดีแต่มันไม่เย็นนะสวดมนต์มันมีสวดแบบแบบจอมคาถากับสวดด้วยจิตอ่อนโยนโกร่มเนี่ยมันจะมีสวดไปสองแบบนี้กับบุคคลถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆเขาจะเริ่มสวดมนต์น้อยไม่ค่อยสวด ถ้าสวดเยอะแสดงว่าสมาธิน้อยถ้าสวดน้อยมีแนวโน้มว่าสมาธิเยอะจเป็นอย่างนั้นนะ ก, ขกนนะัขี้เกียจสวดน้อยนะขี้เกียจนะการการทำสมาธิมากๆบุคคล น, นั้นจะให้ความรู้สึกต่อการสวดมนต์ว่าเป็นอะไรที่ยากนะใจอ่อนโยนอยู่แล้วเคารพอย่างสูงสุดอยู่แล้วด้วยการลงมือปฏิบัติเนี่ย ไม่จําเป็นต้องสวดมนต์เยอะบางท่านสวดหนึ่งเพื่อแสดงความเ ค, รคารพคําว่าเคารพเนี่ยไม่ต้องสวดเยอะกับบางคนสวดเยอะเพราะว่าต้องการให้ชีวิตดีขึ้นจากการสวดก็หามาหลายคาถาหลายบทบทนี้กันนั่นบทนั้นกันนี่บทนี้ดึงลาบทนั้นกันผีมันดึงมาทุกบทคือหลายบทสวดเสร็จก็มั่นใจมั่นใจมั่นใจมั่นใจมั่นใจมั่นใจก็สบายใจ เป็นคนละอย่างกับสวดแล้วสงบใจนะอารมณ์มั่นใจกับอารมณ์สงบใจเนะี่ยคนละอารมณ์นะการสวดมนต์ได้ลักษณะเนี่ยบางครั้งก็ปรับระดับหยาบก่อนหยาบหยาบเยอะๆนั่งปุ๊บเขาดิน้นจิตก็ดิ้นมากเนี่ยเขาให้สวดมนต์ก่อนสวดให้สลับใจจะค่อยๆ อ, อ่อนโยนพออ่อนโยนลงมาระดับหนึ่งทีนี้นั่งสมาธิได้แล้วนั้นการสวดมนต์มุมหนึ่งเขเป็นการปรับ ปรับระดับจิตจากหยาบมากค่อยๆลดลงมาก่อนเพื่อส่งต่อไปสู่การนั่งสมาธิบางครั้งสวดเพื่อส่งต่อนะกับบางคนสวดเอาบุญกุศลไปเลยสวดเอาเป็นสารณะสมาธิไม่เอานั่งแลง้วฟุ้งสวดอย่างเดียวสวดอย่างเดียวนิ่งได้ไหมสวดอย่างเดียวจิตไม่ไปไหนแต่อยู่กับมนุ์บนการไม่ไปไหนเนี่ยก็คือก็มีจุด ตั้งมั่นอยู่กับม น, นั่นแหละแต่บนความตั้งมั่นเนี่ยมันไม่ให้รายละเอียดที่เรียบเรีนนะแต่ให้ความเชื่อมัน่นและก็สบายใจนะอันนี้คือก็จะรู้สึกว่าชอบสวดมนต์สวดแล้วสบายใจนะกับชอบสวดมนต์เพราะคิดว่าถ้าสวดแล้วเดียดเด๋ยวจะได้นั่นเดี๋ยวจะได้นี้ก็จะหามนต์บทเด็ดๆมาแต่ไม่ยอมขยันทำกิน แต่ไม่ทําดีเนะี่ยเทวดาจะช่วยไหมไม่ช่วยไม่ช่วยหรอกคนที่จะมีชีวิตที่ดีๆก็ต้องทําดีสวดมนต์ไปทําดีกับใครก็มั้ย <c oughs> ให้แต่ลมปากอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเหมือนคนดีแต่พูดยอมชอบไหมไม่ชอบบอกอันี้ฉันทีนี้ให้ดีกับชีวิตคืออย่าดีแต่สวดมนต์ลงมือทําด้วย นะทำดีสารพัดทุกความดีทุกการกระทําดีกระแสจิตจะดีเบนความดีของกระแสจิตสิ่งดีๆจะมามาเองไม่ต้องเรียกแต่จิตไม่ยอมจะดีเลยแต่ขยันเรียกเทวดาจังเลยเขาจะมาไหม เ, เทวดาเขากลัวเขาใกล้แล้วร้อนอย่างเงี้ยจิตฉันกำลังเย็นๆ เ, เขาใกล้แล้วเขาล้อนเลยก็ไม่มาเขาก็จะไปส่องหาจิตใครหนอเย็นบ้างหนอจิตใครดีบ้างหนอ เขาใกล้แล้วเทวดาจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังเหมือนโยมเข้าใกล้คนร้อนๆเนี่ยโยมเข้าใกล้แล้วโยมรู้สึกว่าหมดพลังได้เลยนะฟังเขาพูดที่เหนื่อยนีเรื่องจริงนะแต่คนไหนเย็นๆฟังพูดยังไงก็ไม่เหนื่อยฟังพูดยังก็ยังสบายจิตนี้เหมือนกันสวดมนต์เยอะสวดเพื่อปรับจูนจิตจากหยาบให้อ่อนสวดได้เรารู้ว่าสวดทําไมสวดเพื่อ สวดเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก้กล้าบางคนที่กลัวนะกับว่านั่งแล้วเดยผีโผล่บ้างอะไรบ้างสวดไว้ก่อนนะสวดเสร็จแล้วล็อกไว้แล้วทุกคาถาหลายบทที่นี่นั่งด้วยความสบายใจไม่กงังวลอันนี้คือสวดไว้เป็นเกาะป้องกันกลัวหรือเกินอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะกับ <c oughs> สวดสวดเพื่อ เอาเป็นการภาวนาไปซะเลยอันนี้ถือว่าการสวรดคือการภาวนาบางคนสวดเยอะมากสวดเพื่อทดแทนการนั่งสมาธิเพราะฉันนั่งแล้วฟุง้งฉันเลยสวดแทนมันไปซะเลยเดี๋ยวบางคนสวดสองสามสี่ชั่วโมงวันนั้นจะไม่เจอพระรูปหนึง่งรย์ฟังแล้วท้อเลยท่านบอกว่าวันนี้จตรวจอภิธรรมร้อยแปดจบโอ้โหฉย์ฟังแล้วสยองเลย ทันทีที่ฟังเข้าใจหนึ่งข้อเลยว่าท่านไม่ใช่ผู้ทรงฌานนะผู้ทรงฌานเนี่ยสวดมนต์แล้วเหนื่อยมากเพราะลมมันละเอียดยอมรังกลั้นหายใจแล้วพูดจะยมเหนื่อยไหม mm hmm. คนที่ทรงฌานจะทรงความนิ่งพอจิตนิ่งลมจะนิ่งพอลมนิ่งเวลาพูดเยอะเนี่ยมันเหนื่อยนั้นคนไหนที่จิตนิ่งนะเนี่ ย, ยการพูดจะช้าลงนะพูดเร็วก็เหนื่อยพูดมากก็เหนื่อยสวดมนต์ก็เหนื่อย อยากนิ่งอย่างเดียวนี่คืออารมณ์คนไหนปฏิบัติมาถูกทางเนี่ยมนจะเหลือน้อยลงแต่ถ้าคนไหนปฏิบัติแล้วมนยิ่งเยอะขึ้นนนี้มาถูกทางไหมเออคนนั้นจะต้องไปเป็นจอมคาถานะนะเรื่องมนเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจสร้างความอ่อนโยนของใจสร้างการปรับรากฐานจูนใจให้สมดุลก่อสมาธิ แต่ถ้าเป็นมือเสียนแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยที่สุดจะไม่สวดมนต์ละในคําพุทธการเขาไม่ได้มีการสวดมนต์กันนะไปหาประวัติดิถไม่มีหรอกคําว่าสาธยายนมนก็คือนําเช่นปฏิจจสมบาทมาท่องอวิชชาทําให้มีสังขารสังขารทําให้มีวิญญาณวิ ญ, ญาณทำ้มีนารูปไอเนี่ยเขาเรียกว่าสาธยายนมนรูปเกิดจากดินน้ําไฟลมไม่ใช่เราเป็นของว่างเปล่าเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับ เวทนาคือความรู้สึกเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งไม่ใช่ตนเป็นของว่างเปล่าเป็นสิ่งเป็นทุกข์ท่องก่อนท่องเป็นนกแก้วท่องขุนทองอย่างเงี้ยเขาเรียกสาธยายมนท่องเสร็จแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความแต่จาได้นะจำเนื้อความได้นะต่อมาเอาเนื้อความไปพิจารณาว่ารูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงไปหาาเออมันไม่เที่ยงยังไงเปลี่ยนแปลงเกิดดับดูซิมันเกิดดับยังไง คำว่าท่องมนสมัยก่อนหมายถึงษาทยายเนื้อหาธรรมะเพื่อย้ำให้ตัวเองจำไม่ให้ลืมนะนี่คือท่องมนแต่ท่องมนสมัยนี้คือต้องสวดเพื่อสันเสริญสวดเพื่อให้เป็นสิริมงคลในพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยไม่มีเข้าใจใช่ไหมแต่สิ่งนี้งอกมาทีหลังงอกมาทีหลังถามว่าดีหรือเปล่าผิดไห ไม่ผิดอย่าไปงมงายกันแล้วกันเป็นสิ่งที่ดีมีข้อดีอยู่ถ้าทำให้เป็นทำให้ฉลาดแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วไม่จาเป็นต้องใช้มนนะไม่จาเป็นเลยพอใจมั่นคงแก้วกล้าไม่กลัวอะไรเนี่ยต้องหาคาถามาช่วยไหไม่ต้องเมื่อไม่คาถามาช่วยพระฉันนิ่งดีแล้วขาถาก็เลยไม่ต้องเม่ไอ่อนโดนเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมสงร์มาก จนทุ่งเทในการจะเจริญสมาธิรักษาศีลภาวนาด้วยความตั้งใจอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าศรัทธาเคารพมากไหมมากจาเป็นต้องสวดมนต์อีกไหมไม่ต้อ ง, องการปฏิบัติเนี่ยคือการแสดงความเคารพชั้นเลิศเลยมนต์ก็แทบไม่ต้องสวด น, นั่งเลยพิจามเลยตกใจในการกระทาสมถาวิปัสสนาเลยสารวมอยู่ในศีลเลย มนแทบไม่ต้องเมื่อรักฐานสมาธิดีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยต้องสวดมนเพื่อปรับพื้นจิตให้จัดยาให้ละเอียดลงมาก่อนไหมก็ไม่ต้องเพราะฟงความอ่อนโยนอยู่แล้วไม่ต้องปรับจิตก็ไม่ต้องปรับกลัวก็ไม่กลัวครบก็ครบแล้วแล้วจะสวดเอาอะไรอสวดไหมแต่บางครั้งก็มีการสวดหมายถึงว่าบางทีต้องสวดเพื่ออนุเคราะห์ อนุเคราะห์หมู่อนุเคราะห์พิธีกรรมอนุเพราะ์สังคมหรือเป็นแบบอย่างให้คนเนี่ยแสดงความเคารพสวนแบบนั้นก็มีแต่รู้ตัวดึงแล้วจริงๆเนี่ยมเหลือน้อยลงอาจารย์เองเยลยล่ะใหม่เนี่ยเหมือนจอมคาถาเลยนะวันหนึ่งเนี่ยหลายรอบเลยเยอะเจ็ดตำนานเนี่ยชินบัญชรด้วยนะหลายบทสวนแล้วดีกันผีกันอะไรเอาหมดเลย S <S พอทําสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มสั้นลงเหลือแต่ทำตอนาวัเย็นพิเศษพอทําสมาธิไปเรื่อยเหลือแต่อิติปีโสพอทําสมาธิไปอีกเหลือแต่อลหังลดลงเรื่อยลดลงเรือยแต่ใจเนี่ยไม่ได้คลายความเคารพนะแต่มุมการปฏิบัติมันเปลี่ยนจากสวดมากไปอยู่ตรงนั่งมากเดินมากแทนสวด น, น้อยละ เปลี่ยนทายไปตรงนั้นดังนัง้นใครยังไม่จอมคาถาอยู่เนี่ยหมายถึงฌานยังไม่เกิดนะปะจานเลยรู้ไหมทามาคุยนี่ฉันสวดได้สองสามชั่วโมงเออเธอไม่มีฌานนะนี่คือข้อนั้นแหละถ้าใครทำสมาธิได้รู้ได้ตนเองเลยว่าสวดมนต์ยาวไม่ได้ใครนั่งสมาธิเยอะแล้วทรงอยู่ในความรู้สึกนิ่งอย่างเป็ธนธรรมชาติเสมอเนี่ย อยากแต่จะนิ่งอยากแต่จะนั่งเลยอยากแต่จะสงบเลยไม่อยากสวดมนต์เลยนี่คือธรรมชาติเลยนะธรรมชาติทุกคนแต่สวดก็ไม่ผิดนะครับก็มีคาถา ม, มีหลายคำถามครับอาจารย์คิดว่าดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องเดินทางไกลนะครับ ก, ก็ทุกๆท่านนะครับถ้ามีคำถามไว้โอกาสหน้านะครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็รับกิจนิมนต์ ของสุรัตนธรรมสถานนะครับดด เ, เดี๋ยวอาจารย์มีซีดีมาแจกเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ธรรมะหลากหลาย1แผ่นแล้วก็ธรรมะจักพะตรบิดกคือใน3แผ่นเนี่ยปฏิจจสมุปบาทฟังแล้วหลับง่ายที่สุดนะ คนไหนนอนไม่หลับโยมไปเปิดฟังได้นะรับอจารยเมื่อโยมไปเปิดฟังโยมต้องทำใจเลยว่าพร้อมจะหลับงนั้นเมื่อโยมหลับโยมจะได้ไม่โทษว่าอาจารย์เทศฟังยากเข้าใจใช่ไ้มแล้วก็ก็ขออนุโมทนากับโยมเจ้าภาพด้วยคุณกนิษหาินสุดนะเจ้าภาพซีดีแค่วันนั้นแค่ขูแค่ว่าอาจารย์จะพิมพ์ซีดีเท่านั้นเองแค่แววนะ ขอเป็นเสือหมดเลยนะรู้สึกจะประมาณสองหมื่นแผ่ น, นะจันขออนุโมทนาด้วยนะโยมอาไปฟังให้คุ้มนะเขาจะได้อิ่มใจนะคนไหนบนรรลุทำได้โยมคนนึงนิดเอาบุญไปเต็มๆเลยนะ